เจ็ดสิบหกสามนาฬิกาสามสิบนาทีรพินไพยวันตื่นขึ้นมาด้วยการเขย่าปลุกที่ปลายเท้าโดยใครคนหนึ่งพร้อมกับเสียงกระซิบเรียกแผ่วเบาแต่ร้อนรนว่านายนายเขาตบปีกหมวกขึ้นขยายม่านตาก็เห็นว่าคนที่ปลุกคือเจ้าเกิดพรานเด็กหนุ่มของเขาขณะนั้นอากาศหนาวจับใจ ไฟแทบทุกกองที่ก่อไว้รีมมดเหลือแต่เฉพาะฐานแดงๆคงมีลุกพร้อมแพลมอยู่บ้างก็เฉพาะกองใหญ่ที่ก่อไว้ทางด้านปลายเท้าของกระโจมที่พักนอนของนายจ้างอเมริกันเท่านั้นลักษณะของเกิดเต็มไปได้วยความรีบด่วนตาเบิกกว้างเห็นแต่ตาขาวกรอกลอกแรลกพรานใหญ่ดึงตัวขึ้นนั่งทันทีแล้วก่อนที่เขาจะเ อ, อ่ยถามคาใดขึ้นมาเกิดก็บอกมาเร็วปรือ นายลุงคําก็น่าจันกลับมาแล้วจอมพานแทบกระโดดฐานขึ้นยืนความอ่อนเพลียงวงเงียหายเป็นเปรกทิ้งจันคำบุนคำกลับมาแล้วเหรออยู่ที่ไหนเกิดที่มือไปทางเนินด้านที่ต่ําลงไปเสียงพูดยังอยู่ในอาการเดิมโด น, นายสงคนไปนั่งหนาวสันนักหนาหลบอยู่ใต้เพิงหินต่ําลงไปสักสองสามเส้นเองจะจุดไฟ พิงก็ยังไม่กล้ากูัพวกเราในแคมป์นี่จะเห็นแสงกับควันนั่งจ้องกันอยู่สองคนหน้าซีดหลือมเป็นผีเลยนายคําบอกเล่าของเกิดมันฟังดูสับสนไม่กระจ่างยังไงชบคุลกระพินขมวดคิ้วจ้องหน้าเจ้าเด็กหนุ่มของเขาเปลงไหนบอกให้ชๆๆๆัดชชัดช้าสิเกิดบุญคำกระจังกลับมาแล้วเสือกไปนั่งจ้องอยู่ใต้เพิงหินซ่อนตัวอยู่ทําไม แลนายทหารเชิดบุตรกัแหม่มคริสละ่ะไม่มีไม่มีแหม่มคริสกับนายทหารเชิดบุตรไม่เห็นมาด้วยเลยเห็นแต่ลุงคำังกณจันเท่านั้นถามอะไรก็ไม่ยอมพูดน้าจันน่ะแอบโลดมด้อมเข้ามาที่ปางพักของเราบิกกี้นี่ผมกําลังอยู่ยามแกไม่ได้เข้ามาในปางพักหรอกแต่ด้อมไปแอบอยู่หลังก้อนหินและเป่าสัญญาณใบไม้เรียกผมออกไปดูก็เห็นแกแอบซุ่มอยู่คนเดียว บอกให้ผมแอบปลุกนายโดยอย่าให้ใครเห็นบอกให้นายตามไปพบตรงที่แกกําลังแกะกับลุงคําซุ่มตัวอยู่ข้างล่างยอดเนินนี่ก่อนจะมาปลุกนายเนี่ยผมตามนะ้าจานลงไปก่อนก็เห็นลุงคํานั่งค้างสันหนักๆอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ยากจะเห็นแม่มกับนายทหารอยู่ด้วยเลยจะถามอะไรทั้งสองคนก็ไม่ยอมบอกเร่งมาตามนายอย่างเดียวอะรับพินใจวูบตกลงไปถึงปลายเท้า ลุกขึ้นยืนทันทีตามองจับไปยังกระโจมพักของนายจ้างซึ่งขณะนี้มีดกเตอร์สแตนลีย์คีตอิสเบลนอนกันอยู่โดยมีเซย์เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเขาไม่แน่ใจว่านายจ้างทั้งสามขณะนี้จะมีใครตื่นอยู่บ้างแต่เชื่อว่าสำหรับสแตนลีย์กับคีตคงจะหลับสนิทแน่เพราะสะบักสะบอมทั้งสองคนประกอบกัญยานอนหลับที่หมอเบลให้ไว้ส่วนตัวหมอเบลเองไม่ทราบว่าจะหลับหรือเปล่า ทำรายงานของเกิดถึงแม้จะไม่กระจ่างชัดใดๆเลยก็บอกสัญญาณร้ายที่เขาสังหรณ์ไว้ให้ประจักษ์สำหรับบุญคํากระจันนั้นหลุดรอดออกมาจากใต้โพรงถ้ำภายหลังหินถล่มลงกลบแล้วแน่นอนและสมสาลมาจนถึงจุดที่นัดพบกันไว้แต่ก็ไม่กล้าที่จะโผลกข้ไมใ้ใครเห็นเพียงแต่ส่งสัญญาณให้เขารู้และปรารถนาที่จะพบเขาโดยเร็วที่สุดเท่านั้นคงเนื่องมาจากความวิตกอะไรสักอย่างหนึ่ง เขาไม่อยากจะคิดในขณะนี้เพราะก่อนจะจากกันโดยแบง่งฝ่ายกันออกเป็นสองฝ่ายพวกเขานำคีดสแตนลีย์และ abel, อิสเบร์ปีนขึ้นหน้าผาเพื่อผเผชิญหน้ากัมมันไก่สวนบุญคำและจันนำเชิดบุตรกับคริสเป็นฝ่ายเดินล่อเข้าไปในช่องเขาตัวเขาเองได้สั่งกำชับไว้แล้วว่าถ้าหากเชิดบุตรกคริสติน่าได้รับอันตรายถึงชีวิต โดยทั้งบุญคำและจันไม่สามารถจะช่วยไว้ได้แล้วก็ทั้งบุญคำและจันก็ไม่ต้องพลูกลับไม้เขาเห็นหน้าอีกแต่นี่สมุนซ้ายขวาของเขาเอาตัวรอดออกมาได้แล้วไม่กล้ากลับเข้ามาปรากฏตัวในแคมป์หากจะไปซุ่มแอบอยู่เพื่อรอพบเขาอย่างเป็นความลับอาการเต็มไปด้วยความประวันพรันพลึงทำไมทาไมบุญคาและจันรอดออกมาได้ แล้วเชิดวุฒกับคริสติน่าและอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นในเมื่อทั้งสี่คนเดินเกาะหมู่ไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดที่สุดในภาวะที่หินถล่มลงนั้นพรานใหญ่กัดติมฝีปากแน่นจะสอบซักถามอะไรเกิดในขณะนี้ต่อไปก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรแน่นอกจากตัวเขาเองจะต้องไปพบบุญคำกระจันทร์ให้เร็วที่สุดเพื่อรีดเอาความจริง จะรอยอยู่ตรงนี้นะฉจนจะย่องไปดูที่กระโจมของพวกนายห้างก่อนว่าแล้วระพินก็ออกสาวเท้ายาวๆตรงเข้าไปที่เต็นท์ของคณะนายจ้างทันทีพอใกล้เข้าไปครบก็แผวฝีเท้าเป็นย่องค่อยๆแหวกประตูกระโจมโผล่หน้าเข้าไปดูภายในกระโจมสแตนลีย์คิดถ่ายใต้ผ้าแบรงเก็ตผืนเดียวกันนอนในลักษณะหลับเป็นตาย ห่างออกมาอีกเล็กน้อยคืออิสเบรซึ่งนอนตะแคงตัวคู่อยู่โดยหันหลังให้ประตูกระโจมอยู่ในอาการหลับสนิทเช่นเดียวกันเซยนั่นนอนขวางอยู่ทางด้านปลายเท้าของทุกคนริมประตูกระโจมระพินทดลองโดยสบัดฝาไลเตอร์แบบซิปปูของเขาให้เปิดออกดังแก๊กเพียงเบาๆครั้งหนึ่งเท่านั้นเซยก็ลืมตาขึ้นทันทีแสดงว่าพลานของเขา อยู่ในภาวะที่พร้อมเสมอด้พินเอานิ้วแตะริมฝีปากไว้เชิงบังคับให้เสยเงียบกริบที่สุดตนเองมองสํารวจไปยังนายจ้างทั้งสามอีกอึดใจหนึ่งระหว่างนั้นเสยก็นอนนิ่งลืมตาพโพลงมองดูเขาอย่างพิศวงพรานใหญ่กม้มศบตาแล้วกระดิกนิ้วเป็นสัญญาณให้คนของเขาตามออกมาและตนเองก็ปล่อยผ้ากระโจมลงพรุบกว่ายืนคอยข้างนอก ไม่ถึงอึดใจเสก็คลานอย่างเบากริบออกมาอย่างหน้าเป็นตื่นทั้งสามคนหลับสนิทรึเปล่าเสกเขากระซิบถามเบาที่สุดหลับเป็นตายเลยครับนายสําหรับนายห้างคิดกันในห้างบอบแต่แมมเบ้น เ, เพิ่งจะหลับไปสักชั่วโมงที่แล้วเห็นจะได้ก่อนหลับนายห็นกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาอยู่นานแล้วก็ลุกขึ้นมาซักยาอะไรก็ไม่ทราบ เอาสัลายเมตทีเดียวแล้เงียบไปได้เสยรายงานดีลนวะฉันกับเกิดจะออกไปนอกบริเวณตางพักสักครู่เสยกลับก็บไปนอนที่เดิมนะระหว่างนี้ถ้าใครตื่นขึ้นมาโดยเฉพาะแหม่มเบถ้าเขาถามถึงฉันก็ให้บอกว่าเดินตรวจบริเวณและพยายามบอกให้นอนซะตามเดิมแล้ว น, นี่นายจะไปไหนล่ะเสยทำหน้าง ง, ง รับพินตกไรไม่ต้องถามหรอกทาตามคำสั่งแล้วกันเจ้าพระหนุ่มรับคำอย่างว่าง่ายแทงนกลับเข้าไปในกระโจมของนายจ้างตามเดิมรับพินก็ปรีตรงมาที่เกิดผู้กำลังยืนคอยอยู่ในเงามืดไปเกิดพาฉันไปพบบุญคำและจันเดี๋ยวนี้ถ้ามันจะยังไงซะแล้วแฮช่วยได้ไรฝฟ้นไปประจําตัวตวัดขึ้นภาคบ่า สุภาพบุรุษไทยก็เร้นตัวออกจากบริเวณคันที่พักตามหลังการนำของเกิดไปอย่างเงียบๆโดยเลาะลัดไปตามป่าหินของยอดเนินสักดำโดยไม่ได้พูดคำใดกันเลยท่ามกลางความดำสนิทของราตรีชั่วไม่กี่อึดใจเท่านั้นเกิดก็นำเดินลงเนินใต้ไตไปตามขอบทางอันสูงชัน แล้วก็มาถึงตะพักหินบริเวณหนึ่งอุดมไปด้วยหนอหินล้วนเมื่อระพินใช้ไฟปราดออกไปก็เลยเห็นสองพรานอาวุโสอันเกรียบเสมือนแขนขวาและซ้ายของเขาพากันนั่งจับเจาอยู่ใต้เพิงหินที่ชงโงกเป็นหลังคาออกมาทั้งสองพรานมือดีพอมองเห็นลำแสงไฟฉายก็พากันถลันลุกขึ้นยืนทันทีแต่ก็ดูจะยืนนิ่งซึมกระทือโดยไม่ได้ปริปากคาใดออกมาทั้งสิ้น จนกระทั่งรับพินเข้าถึงตัวเขาเอง ก, ก็ยังไม่เอ่ยคำใดในขณะ น, นี้แต่ส่องไปตรวจ ด, ดูหน้าและร่างกายของคนทั้งสองเพื่อรู้ว่าเป็นบุญคำกระจันแน่ไม่ผิดตัวไปทั้งสองขมุก ข, ขมอมฝุ่นเต็มตัวท่าทางอีบัดอีโรยเต็มทนเสื้อผ้ารุ่งริ่งและหน้าซีดเหมือนผีมีรอยถลอกปอกเปิงแทบทั้งตัวแต่ก็ดูว่าไม่มีอะไรสาหัส มากไปกว่าความหวัดวันตกใจกายทั้งสองสั่นอยู่ริกริจจะเกิดจากความหนาวเย็นของอากาศหรือเพราะความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างไม่อาจทราบได้เอาละบุญคำจันตั้งสติให้ดีซะก่อนค่อยๆเล่าให้ฟังก็ได้ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรทั้งสิ้นนั่งลง ราพินยพยายามบังคับเสียงพูดของตนเองให้ฟังดูเป็นธรรมดาที่สุดทั้งที่หัวใจร้อนแทบระเบิดบุญคำกระจันค่อยๆย่อนตัวลงนั่งแปะลงกับพื้นตามเดิมราพินสอดมือเข้าไปในเป้หลังยังไม่พูดอะไรต่อแต่งัดเอากระติกบรนดีออกมาส่งให้ทั้งสองตะครุบเอาไปดื่มอย่างกระหายคนละหลายอึกเหมือนจะเป็นการดับความรู้สึกอันวุ่นวายใจอยู่ในขณะนี้แล้วระบายลมหายใจเฮือกใหญ่ ปลายแขนเช็ดริมฝีปากพอดีกรีของแอลกอฮอลเริ่มร้อนว่าไปทุกเส้นเลือดอาการของสมุนซ้ายขวาของเขาก็ดูจะดีขึ้นเล็กน้อยนายเสียงแหบแหบของตาเท่าบุญคำดังขึ้นเป็นครั้งแรกบุญคำกระจันเสียใจจริงๆที่กลับให้นายเห็นกันเพียงสองคนเท่านั้น แล้วก็ยังไม่กล้าพลูก็ไปในแคมไมให้ใครเห็นก่อนบุญคาเสียใจแกพูดได้เพียงแค่นั้นและก็หมายความตามนั้นจริงๆจากสีหน้าอาการสีหน้าเหมือนคนจะร้องไห้ระพินตบไหล่พรานของเขาหนักๆแล้ ว, ว่าไม่ต้องกลัวว่าฉันจะว่าอะไรทั้งนั้นนะฉันต้องการรู้ความจริงทั้งหมดว่ามันเป็นยังไง ไหนลองค่อยๆเล่าไปสิแล้วนี่มาถึงที่นี่กันตั้งแต่เมื่อไรจันกับพี่คํามาถึงที่นี่สักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ไนายจันทเป็นคนบอกขึ้นน้ําเสียงเครือสั่นเช่นกันก็ปรึกษากันว่าจะทํำยังไงดีไม่กล้าเข้าไปพบนายกับ น, นายห่างพวกนั้นนั่งหนาวกันอยู่ตรงนี้แล้วพี่คําก็บอกว่าไม่มีทางจะทําอย่างอื่นได้นอกจากจะต้อง ไปแอบตามนายมาจันถึงได้ย่องเข้าไปใกลป้ปางพักแล้วก็เป่าสัญญาณใบไม้เรียกไอ้เกิดนายจะตีจะดาจะ่าจะฆ่าจะแกงยังไงก็ยอมแล้วไม่รู้จะทำยังไงถูกจันกับพี่คำพยายามกันเต็มที่แล้วนายค่ อ, คอยๆเล่าจันลำดับภาพไปให้ดีไม่ต้องกลัวว่าฉันจะตีดา่าฆ่าแกงอะไรหรอกถึงยังไงเหลือรอดมาได้สองคน ก็ยังดีกว่าหายไปสมุดสี่คนโดยไม่รู้ข่าวอะไรเลยว่าไปละเอียดที่สุดฉันกับพวกเจ้านายและพวกเราทุกคนเป็นห่วงจนบอกไม่ถูกแทบจะไม่มีใครหลับใครนอนกันเลยนะเองกนเล่าไปไอ้จันกูน่ะพูดอะไรไม่ถูกแล้วแต่ถ้าบุญคำหันไปบอกกับมือรองเฉยกระติกแบรนดีไปสัดจะอีกอึกใหญ่แล้วนั่งกุมขมักหลับตานิ่ง ระพินไม่เคยเห็นลักษณะของบุญคำท้อแท้ผิดหวังเหมือนครั้งนี้เลยในชีวิตแก่งกระด้างพะจนภัยร่วมกับเขามาทุกป่าทุกดงลักษณะของบุญคำขนาดนี้เหมือนตัวเองอยากจะกลั้นใจตายเสียรู้แล้วรู้รอดจนถึงขนาดเกิดต้องเข้าไปจับแขนและกระซิบพูดปลอบใจแกเพราะรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงแกร้องไห้อยู่ฮึดฮึดซึ่งไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน เสียงพึมพำปนสะอื้นออกมาว่านายไว้ใจกูแต่กูก็ทำพลาดจนได้ผีสางเทวดาเท่านั้นที่รู้ว่ากูกับไอ้จันพยายามจนสุดฝีมือแล้วกูรับปากกันนายไว้เป็นดบเป็นดีว่าทั้งสองคนนั้นเป็นอะไรไป ก, กูไก่จันก็จะไม่โผล่ไม่นายเห็นอีก แ่นี่กูกับไอ้จันก็ยังหน้าด้านมาจำใจดีๆไว้ลุงคำอย่าเพิ่งตีโพยตีพายอะไรไปเลยนายท่านจะต้องรู้อะไรดีๆที่สุดอะไม่โทษลุงคำกันนะจันรโดยไม่มีเหตุมีผลกเกิดกระซิบปลอาสินตาเท่ารำพันต่อไปว่าตั้งแต่ไอ้ภูเขานรกน่ามันถลม่ม เหมือนจมอยู่ใต้แม่พระธรณีข้าวสักเม็ดน้ำสักหยดก็ไม่ตกถึงกระเพาะกูกรไอิจจันไหนจะตะเกียกตะกายเอาชีวิตให้รอดไหนจะพยายามค้นหาไอ้หนุ่มอีสาวสองคนนั้นไอ้เกิดเอ้ยเลือดตากูแทบกระเด็นนี่ไม่ใช่ว่าพอรอดตัวกันมันได้สองคนก็ตรงมาที่นี่เลยเมื่อไร่ กูสองคนมุดถ้ำค้นหาอยู่ตั้งห้าหกชั่วโมงหาจนหมดแรงจนหมดหวังแล้วก็เลยต้องถอยก่อนยอมกลับไม้นายกระทือแล้วแกก็ร้องไห้ฮือฮือสอึกสะอื่นต่อไปเหมือนลกูกหมาหน้าหนาวระปินชักรำคาญเต็มทีก็ตะหวาดเบาๆวะนี่ หยุดพันนาสถิทีตะคำถ้ายังพูดไม่รู้เรื่องก็ลงนอนพักก่อนยังไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละเดี๋ยวปล่อยให้จันพูดเฉียบขาดและสักศิกยิ่งนกะเสียงตะคำเงียบกริบไปทันทีแต่ก็ลอแบรนดีเข้าไปเกือบหมดกระติกแล้วก็นั่งกอดเข่าเจ้าจุกเหมือนท่อนหินจันพูดดูเหมือนจะควบคุมสติได้ดีกว่าลูกพี่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนจะลำดับภาค แล้วก็เล่าว่านายตอนนายพาพวกสามคนปีนขึ้นหน้าผานะจันกับพี่คําก็พาสองคนเดินเข้าซอกก็ชี้หมายนัดแน ก, กันให้รู้แล้วว่าจะต้องเดินมาถึงริมทางหน่อหินสามหนอ่อตรงนั้นจะเป็นโพรงถ้ำที่จะมุดเข้าไปได้แต่จะเป็นโพรงขวามือสุดทางทสิซ้ายของหน้าผา เพราะเป็นโพรงที่พี่ทาเคยเข้าไปหาเหล็กไหลมีทางทะลุออกได้สมุนทรายของเขาพูดเสียงหืดหือดอยู่เช่นนั้นระพินอัตบุรีเต็มปอดแล้วเม้มริมฝีปากแนะ่นพยักหน้าให้พูดต่อก็พูดบอกย้ำแล้วย้ำอีกนั่นนายแต่ทั้งนายทหารกำแมมคริสจะฟังหรือเปล่านั้นไม่รู้ เห็นเดินคลอคุยกันนุ่งนิ้งนุงนิงอยู่ข้างหลังจันกับพี่คาต้องคอยเร่งให้เดินติดหลังมาใกล้ใกลกันตลอดเวลาถึงนั้นแกทั้งสองคนก็ยังเดินเว้นระยะห่างไปประมาณสี่ห้าวาเห็นจะได้ดูไม่สนใจหรือเชื่อว่าหินมันจะถล่มลงมาเลยจันกับพี่คํใช่อีกทีนในขณะที่เดินไปาขาสั่นตลอดเวลาคอยแงงดูข้างบนอยู่เรื่อยใจก็ภาวนาระวังว่าเมื่อไหร่มันจะหล่นลงใส่หัว สักอุดใจก่อนหน้าที่มันจะคลื่นลงมานั่นแหละจันได้ยินเสียงแม่มคริสร้องจ้ากลัน่นตะโกนอะไรลงเลงเขาใส่ในายทหารแล้วก็ตรงเขาไปทุบตีท่าทางจะกรูด จ, จัดตอนนั้นน่ะนายทหารร้องเพลงเพลงฝรั่งอะไรก็ไม่รู้จันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนายทหารเชริดบุดร้องเพลงและแม่มคริสจะต้องเต้นเป็นยิ้วด้วยก็สาว่า มันจะด่าอะไรใสคะแนนไม่ทันดีเดียวก็ตอนนั้นแหละครับภูเขาเหนือหัวมันก็ถล่มลงมายังก็ฟฟาแล่นชนดินจังกะพี่คำน่ตกใจแทเบเยี่ยวราชร้องตะโกนสุดเสียงให้หลบเข้าช่องที่หมายตาไว้ก่อนแล้วแต่ทั้งสองคนน่ก็ยังทุบกันนวเนียนวเนียห่างกอาไปข้างหลังตั้งเกือบสิบวาเห็นจะได้ไอข้างบนก็คลึกคลึกคลึคลึลงมาแล้วยังกรหาฝนฝุ่นมันตลบลงมาบังก่อนแล้ว เสียงพี่คำยังตะโกนเรียกนายทหารนายแหมมแล้วก็วิ่งทลาออกไปจะรังตัวแต่ไม่ถึงครับนายก้อนหินเกือบเท่าครกตําน้ำพริกกระแทกไหลพี่คำโครมเดียวขำมำหน้ า, าล้มลงกับพื้นหน้าฟาดหิงยังโนปูจยู่นันแต่ไม่แตกเพราะหนังก็ดีจันเห็นถ้าจะไม่ไหวแล้วก็เลยฟ้าขาพี่คำได้กระชากถูงรูถูกลางเข้าไปในโพรง คราวนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วละนายเสียงมันดังครืน้นครืนเหมือนโลกจะแตกโพรงถ้ำที่มุดหลบ ก, กันเข้าไปได้อย่างหวุดหวิดนะไหวสะเทือนไปหมดสองคนนอนกับพื้นปิดหัวปิดหูอยู่ตรงนั้นนึกว่าถ้ำมันคงจะถล่มลงมาทับเหมือนกันจนกระทั่งเสียงหินถล่มมันค่อยๆเงียบหายไปนานตั้งสามสี่นาทีเห็นจะได้กว่ามันจะหยุดพอเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งปากโพรงข้างหน้าที่นอนกันอยู่ ดำมืดไปหมดแล้วไนงะมองไม่เห็นอะไรเลยหินมาลงมากลบปิดปากช่องหมดจันเป็นคนรู้สึกตัวก่อนก็เขย่าเรียกพี่คำที่แรกก็ น, นึกว่าแกตายแล้วเหมือนกันด้ยอยู่พักใหญ่แกจึงรู้สึกตัวแต่ก็ยังนอนจุกอยู่ตรงนั้นอีกนานนะนะระหว่างที่จันเล่าเหตุการณ์ในนาทีวิกฤต ร, รบผินแทบไม่หายใจ จ้องหน้าในเงามืดนั้นตาไมา่กระพริบเอาครั้งสุดท้ายล่าสุดที่จันทร์กับบุญคํามองเห็นนายทหารกระแหมคริสตเห็นเขาทั้งสองคนยังไงหลบมุดเข้าโพรงใกล้เคียงกับที่จันท์เล็กบุญคํามุดเข้าไปหรือว่ายืนตะลึงจนกระทั่งหินมันหล่นมาทับเห็นไหมว่าหินมันหล่นลงมาบทขยี้อ่บอกมาตามตรงเลยจันท์อึ้งไปนานพยายามขบคิด แล้วหันไปทางบุญคาผู้ยังนั่งเป็นตอหินอยู่พี่คาเห็นยังไงลองบอกให้นายรู้สิเพราะพี่คําน่ะเป็นคนวิ่งทลาเข้าไปส่วนฉันน่ะอยู่ข้างหลังพี่คาก็จะต้องเห็นได้ถนัดกว่าฉันล่ะรับินหันขวับไปทางบุญคาจากคำบอกเล่าของจันทำให้เขาสงสารแกเป็นอย่างยิ่งบุญคาเองก็รอดตายมาได้อย่างบุดวิี่สุด ถ้าไม่ได้จันแกก็คงแหลกไปแล้วพระมัวพระวงช่วยสองคนนั้นอยู่จนตัวเองถูกหินกระแทกลม้มลงแสดงว่าแกไม่ได้บุกพร่องต่อหน้าที่คิดแต่จะเอาตัวรอดเลยแบรนดีกระติกนั้นนายยกให้ทั้งหมดเอาเลยบุญคำซัดเท็กเกี่ยงแล้วก็พูดภาษาคนให้รู้เรื่องหน่อยบุญคำดูเหมือนจะตื่นจากผวังแกไม่ต้องการบรนดีอีกแล้ว แต่ขอยามูนจากเกิดไปจุดสูบอย่างกระหายจับนายนายไม่ด่าบุญคำนะเสียงของแกอ่อยน่าสมเพชเอออย่ามัวแต่กังวลเรื่องนั้นอยู่เลยนะตะคำฉันต้องการรู้เรื่องให้ละเอียดที่ท่วนที่สุดระหว่างเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นนะ่มะมัวแต่ร้องอืดอึดเดี๋ยวก็สาดเกาหา่ เมื่อนั้นเองบุญคำจึงเพิ่งจะพูดเป็นภาษาขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ไม่ค่อยจะกระจางแจ้งนะักระพินต้องคอยซักไปทุกระยะนายตอนที่บุญคำแล่นเข้าไปบุญคำเห็นทั้งนายทาหารและนายแมมหยุดชะงักเง็นมองขึ้นไปข้างบนตอนนั้นยืนเฉยเหมือนคนตกตะลึง บุญคำไม่ได้แล่นไปเฉยๆน่ะนายบุญคำลองตะโกนบอกแกทั้งสองคนด้วยว่าให้หยุแต่เสียงหินท้ลายมันกลบเสียงบุญคำสมดุดครั้งสุดท้ายตอนที่หินมันหล่นมากระแทกหลังบุญคำความหน้าลงไปบุญคำเห็นแวบว่านายทหารผลักแมมเข้าไปตรงซอกที่ใกล้ที่สุดใกล้กับที่สองคนยืนนั่นแหละแมมกระเด็นหัวปักนายทหารก็พุ่งหลาวตามเข้าไป บุญคำเห็นแค่นั้นแหละนายแล้วตัวเองก็สลบไม่รู้สึกตัวอีกครั้งกว่าตอนที่ไอ้จันทร์มันปลุกขยาวขณะที่มันนอนกันอยู่ในโพรงแล้วไม่รู้ด้วยว่าไอ้จันทร์มันเป็นคนลากขาเข้ามาจอมพรานเม้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงบุญคำเห็นว่าครั้งสุดท้ายนายทหารกับนายแหม่มกระโจนหลบเข้าช่องโพรงเหมือนกัน แต่คนละโพรงก็ของบุญคํำยังงั้นน่ะใช่านายบุญคำเห็นอย่างนั้นแต่ก็แวบเดียวเท่านั้นแหละแล้วยืนยันได้ไหมว่าไม่ได้เห็นหินก้อนไหนหล่นลงมาถูกสองคนนั่นก่อนเขาเน้นคําถามอย่างจริงจังพร้อมกับจับไหล่เบา บ, บางของตาเท่าบีบแรงจนแกร้องโอ้ย อันเนื่องมาจากไหลข้างนั้นก็แทบจะหักอยู่ก่อนแล้วเพราะแรงหินกระแทกนายที่เห็นน่ะสองคนพยายามหลบแล้วแต่จะหลบเข้าโพรงทันหรือจะถูกหินบดชะกอนบุญํำบอกไม่ได้เพราะตอนนั้นน่ะตัวเองก็น่าขามามปี้ดินลงไปแล้วมันมีโพรงถ้ำตรงหินงอกริมทางอยู่สามหนออ นั่นเป็นช่องอยู่สามโพรงไอ้โพรงที่ห่างสุดหรือขวามือสุดเมื่อหันเข้าหน้าผาคือโพรงที่บุญคํากระจันมุดเข้าไปมันก็เหลืออยู่อีกสองโพรงที่เราสันนิษฐานว่าถ้าไม่ถูกขินทับแหลกไปซะก่อนนายทหารเชิญบุตรกัมแมคริสจะต้องเลือกเข้าโพรงใดโพรงหนึ่งพอจะสันนิษฐานได้ไหมว่าจะเป็นโพรงกลาง หรือโพรงริมอีกด้านหนึ่งอลองหลับตาวาดภาพให้ดีแต่ละโพรง ม, มีขนาดไล่เรียกันและห่างกันประมาณ3าสีวาต่อหนึ่งช่องโพรงระพินพูดช้าๆเพื่อให้ทั้งสองตั้งสติคิดและให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนาย ตอนที่นายทหารกัะนายนแม่ตีกันยืนห่างออกไปมากถ้าจะมุดเข้าโพรงได้โดยหลบหินทังทันก็น่าจะเป็นเข้าโพรงทางด้านซ้ายมือสุดหรือโพรงแรกที่แกยืนอยู่ตรงปากทางของมันนั่นแหละบุญคำทบทวนความจำในสมองของแกปวดหนึบมุนเตี้วไปหมดเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้น ราวนี้พูดกันตามตรงเลยบุญคำจันทั้งสองคนอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดสนิษฐานว่าไงสองคนถูกกินบทแหลกไปซะแล้วหรือว่าหลบเข้าช่องโพรงทันระพินอย่างความเห็งบุญคำกระจันหันหน้าเข้าหาทันเองในเงามืดแล้วจันก็บอกมาเกือบเป็นเสียงกระซิกว่ามันก็ไอคือกันละนาย ถูกกินหล่นลงมาบททับแหลกละเอียดไปเลยนายทหารกำแมมคริสก็วูบเดียวหมดความรู้สึกแต่ถ้าหลบเข้าโพรงทันก็ตายช้าลงไปอีกนิดแต่จะตายอย่างทรมานเพราะสามโพรงนั่นมันมีอยู่โพรงเดียวที่มีทางออกได้คือโพรงที่จันกับพี่คามุดกันออกมานี่แหละไออีกสองโพรงน่ะมันเป็นโพรงตัน นายทหารกำแห่คนสวยน่ยจะถูกฝังทั้งเป็นนายสุภาพบุรุษไพ ร, รีตาลงต่อบุรีตัวที่สองและทั้งสองคนแน่ใจเหรอว่าทั้งสองโพรงนักตันแน่ใจไหมก็พี่คำแกบอกว่าแกเคยสำรวจมาก่อนแล้วนี่นายว่าเป็นโพรงที่มีทางเดินเข้าไปได้ลึกก็จริง คดเลี้ยวไปมาเหมือนจะมีทางออกได้แต่มันไม่มีทางออกหรอกเหมือนเขาวงกดในโพรงก็เต็มไปได้วยปล่องเหวบุญคำครับนายบุญคำสำรวจสองโพรงนั้นมาก่อนแล้วละเอียดแค่ไหนก็ค้นหาเหล็กไหลนะนายลงได้มุดหาเหล็กไหลกันแล้วก็ นายก็รู้ว่าจะต้องเลือ้อยต้องคลานงมไปหมดทุกทิศทุกทางนั่นแหละแต่บุญคำไม่เคยพบว่ามันจะมีทางออกได้ยกเว้นแต่ ง, งูในบางช่องมันก็มีทางออกเหมือนกันแต่แค่แค่ฝ่ามือเดียวเท่านั้นแต่ถ้าจะลงบาดาลไปหาพญา น, นาคก็พอจะมีทางบ้างเพราะมีบอ่อเหีวโบลงไปมองไม่เห็นกันอยู่หลายบอ่อ ยอนก้นหินลงไปยังไม่ได้ยินเสียงกระทบก้นเหิวเลยนายและบุญคำสำรวจโพรงถ้ำที่ว่าไม่มีทางออกนั่นน่ะมันนานเท่าไหร่แล้วก็ครั้งสุดท้ายสี่ห้าปีมาแล้วล่ะมั้งนายแกพูดอย่างมั่นใจและบุญความมั่นใจนั้นก็คือความสิ้นหวังท้อแท้พระเสียงพึมพำรร พ, พร้อมกับพนมมือขึ้นจบศีรษะ แววออกมาว่ า, าระหังระหังไปสู่ที่สุกติเถิดพ่อคุณแม่คุณเอ้ยดวงขาดลงแค่นี้เองทำไมไอ้คังกับไอ้จันถึงไม่ตายไปพร้อมกันด้วยจะรู้แล้วรู้รอดจะได้ไม่ต้องกลับมาให้นายเห็นหน้าอีก รพินภพยวันขณะนี้ประสาทชาดิเขารู้ว่าบริเวณใต้หน้าผามหาปาลาลัยนั้นมีโพรงถ้ำเต็มไปหมดรู้ว่าบางโพรงมีหนทางทะลุลอดออกได้แต่ส่วนน้อยส่วนมากนั้นก็อย่างที่บุญคําว่านั่นแหละคือจะตันไม่มีทางออกนอกจากย้อนกลับทางเก่าซึ่งบัดนี้ไม่ต้องหวัง หินหลายร้อยตันกลุบปากทางหมดแล้วแต่ถึงยังไงตัวเขาเองก็ไม่เคยได้สำรวจโพรงถ้ำใต้หน้าผาอันตรายนี้มาก่อนด้วยตัวเองเลยสักครั้งเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องสำรวจพยายามวางอารมณ์ให้เป็นปกติที่สุดอย่างน้อยสิ่งที่เขาควรจะยินดีก็คือ บุญคำกระจันก็ยังอุตส่าห์เหลือรอดชีวิตมาได้ทั้งสองคนเรื่องอื่นค่อยแก้ไขปัญหากันในอันดับต่อไปเกิดเองผู้เข้ามาร่วมรับฟังเหตุการณ์อยู่ด้วยในขณะ น, นี้ก็ตัวสั่นไปหมดประวัติของพรานใหญ่ระพินไพรวันไม่เคยนำทางพานายจ้างคนใดไปสู่จุดจบเลยตลอดทั้งชีวิตการหากิงอยู่ในป่าของเขา แต่มาคราวนี้ระพินเห็นจดสิ้นชื่อซะแล้วอ่ะคราวนี้ขวนมาว่าถึงด้านบุญคำกระจันอีกครั้งแล้วกันหลังจากหลบหินถล่มเข้าไปในโพรงที่ปลอดภัยได้แล้วแล้วก็รื้สุบตัวแล้วได้ทำยังไงกันต่อไปคิดว่านายทหารกันนายแหม่มตายแน่แล้วก็ชวนกันมุดลอดเหนียวออกมาเลยอย่างนั้นเหร ใครบอกนายอะทั้งสองโวยขึ้นพร้อมกันไอ้คําก็จันพยายามพูดวิทยุเรียกนายทหารเรียกจนคอแหบคอแห้งไม่ได้ยินเสียงอะไรมันตอบออกมาเลยแม้แต่จริงหรีสก์กตัวทั้งด้านบนหลังหินถล่มแล้วน่ะพวกฉันก็พยายามเรียกบุญคําและนายทหารอยู่ตลอดเวลานะก็ไม่ได้ยินเสียงตอบเหมือนกัน บุญคำได้ยินเสียงฉันหรือพวกเราข้างบนบ้างไหมบุญคำผู้บัดนี้ค่อยๆ ย, ยกวิทยุที่แกยังถืออยู่ในมือขึ้นมาดูแล้วสั่นหัวไม่ได้ยินสักอย่างนายได้ยินแต่เสียงตัวเองเท่านั้นไม่ได้ยินทั้งเสียง น, นายทหาร น, นายแมมหรือใครดัง น, นัน้นไม่ใช่แค่เรียกวิทยุเท่า น, นั้นนะทั้งบุญคำและจัน์ พอตั้งตัวตั้งสติได้ก็ช่วยกันพยายามงมค้นหาช่องทางเพื่อว่าจะพบมีทางทะลุติดต่อไปถึงถ้ำที่คิดว่านายทหารกับนายแหม่มไปติดอยู่บ้างแต่ฮาเท่าไหรเท่าไรก็ไม่พบพยายามกันอยู่หลายชั่วโมงจนหมดหวังแล้วทำไมมวัวแต่ค้นหาเส้นทางอยู่บุญคํากจันทร์มาถึงที่พักนี่ตั้งแต่สองสามทุ่มแล้ว ไม่เสียเวลามาถึงเอาเกือบใกล้รุ่งแบบนี้หรอกนายพราะมุดลอดออกช่องเขาได้อีกด้านหนึง่งบุญคำก็ปิดวิทยุไม่กล้าเรียกอีกเพราะกลัวจะไปเข้าเครื่องของนายห้างพวกนี้ที่คงเปิดรับฟังอยู่ตลอดเวลาก็เลยย่องมาเงียบๆถ้าบุญคำเปิดวิทยุพูดนับตั้งแต่โผลกออกมาอีกด้านหนึง่งป่านนี้นายกับพวกนายห้าง ก็รู้ข่าวได้ยินเสียงแล้วแล้วนี่จะให้บอกได้ยังไงละ่ะว่ามีบุญคํากระจันกลับมาแค่สองคนเท่านั้นก็เลยย่องกลับมาแอบมาบอกให้นายรู้ซะ ก, ก่อนจอมพรานพยักหน้าลงพูดเสียงหนักๆเออดีแล้วที่ไม่งโง่สื่อเรียกวิทยุหรือรายงานาให้รู้ซะ ก, ก่อนโดยไม่มาพบฉันก่อน เรายังไม่ต้องการให้พวกนายจ้างหรือใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายทหารเชิดบุตรกระแมคคริสในขณะนี้ทุกคนยังรอทั้งสองคนนั้นอยู่ด้วยความหวังและความหวังนั้นก็ทุ่มเทมาที่ฉันคนเดียวฉันต้องรับหน้าหนักที่สุดไอ้ผีดิบมันไรเล่นงานเราครั้งนี้น่ะมันเจ็บแสบจริงๆนายครับนายแน่ใจเหรอ ว่านทหารกระแหม่มคริสต์ต้องตายแน่ๆเกิดเอ่ยถามขึ้นประพินไม่ตอบนอกจากกระเดือกน้ำลายลงลำคออันแห้งฝืดต่คำโ p ่งมาแทนว่าถ้าไม่ตายก็ไม่จะคนไว้เกิดนอกจากเทวดาไม่มีใครรู้ทางใต้หน้าผานน่นดีเท่าก็กูหรอกมึงกับไอ้เสยน่ะโชคดีแล้ว ที่นายใช้ให้ไปคอยคุมพวกกระเรียงกระลูกหาบอยู่ข้างล่างไม่ต้องเสียงอะไรเลยกู้ไก่จันน่ะตายไปแล้วกว่าครึ่งถึงนายกับพวกกี่ปีหน้าผาตามนายขึ้นไปก็เสียงพอกันทั้งด้านนายเป็นยังไงมั่งละ่ะนายห่างบอบนายคิดกแ็แหมมเบลเรียบร้อยหรือเปล่าประโยคหลังแกถามมาบ้า ทุกคนก็เกือบตายทั้งนั้นแหละบุญคาแต่ก็รอดมาได้อย่างวุฒิบิจยวนเจียนตอนนี้ก็เหลืออยู่แต่เพียงแม่มผมทองกันนายทหารเชิดบุตรเท่านั้นที่เคราะ ห, หนักกว่าทุกคนสมคนนกับมัวแต่เดินหยอกเล่นกันอยู่ไม่ระวังตัวเลยทั้งๆ ท, ท, ที่เตือนแล้วจันบุญออกมาอย่างกลัด ก, กลุ้มกระพินไพวันตบแขนเสื้อดูนาฬิกา จากไพรหน้าชี้เวลาสี่นาฬิกาตรงอีกสองชั่วโมงก็จะย่ำรุ่งแล้วแต่หมอกกำลังจัดเหลือเกินคงจะยืดเวลาตื่นของพวกนายจ้างออกไปอีกเอางี้ทั้งสองคนนี่แหละเห็นบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยไม่ใช่เหรอจะเอาเวลาที่ไหนกินเข้าไปได้ลงละนายถึงแม้จะไม่ใช่ความผิดของบุญคำกระจันโดยตรง ทั้งนายทหารกันนหนแมมก็อยู่ในความรับผิดชอบและบุญคำก็เอาสองคนนั้นไปตายซะแล้วช่วยไม่ทันนี่บุญคาไม่รู้จะกล้าเข้าไปให้ในายจ้างที่เหลือเห็นหน้าได้ยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะกินด้วยไม่ได้เตรียมติดตัวไว้เลยครานใหญ่รื้อเป้หลังออกมาส่งเรช่นไปให้จันก บ, บุญคาคนละกระป๋องสั่งว่า ก่อนอื่นกินซะก่อนกินแรงไวเห็นท่าทางใกล้จะตายด้วยกันทั้งคู่นี่กินให้อิ่มท้องพอมีแรงแล้วเราจะมาหารือกันอีกทีหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงขณะนี้หลบอยู่ตรงนี้แหละยังไม่ต้องเข้าไปให้ใครในปางพักเห็นหน้าทั้งสองคนถึงฉันออกมานี่ก็ย่องออกมาไม่มีใครรู้เห็นเหมือนกันนอกจากเซยเท่านั้น <c oughs> อย่างซึมซึมเศร้าๆ ทั้งบุญคำและจันเปิดเครื่องกระป๋องออกกินอย่างสังกตายระหว่างนี้ระพินไพรวันเผาบุรีตัวต่อตัวเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าตนเองจะต้องทำอะไรบ้างขอเวลาเพียงให้ลูกน้องที่รอดตายออกมาทั้งสองคนได้กินอาหารรองท้องซะก่อนเท่านั้นเกิดเป็นคน อ, อ ก, ก้อนแก๊สเคมีออกมาจุดเป็นกองไฟเล็กๆขึ้นเพื่อให้เกิดแสงสว่างและไออุ่นโดยไม่มีควันผิง ให้แก่บุญคำและจัน์ผู้อยู่ในภาวะสะบักสะบอมเต็มที่ชั่วไม่นานทั้งบุญคำและจัน์ก็กินอาหารชนิดพอประทับประทางความหิวเสร็จสิ้นสูบบุรีกันอีกคนละตัวดูท่าทางจะกระปรีก้กระเปล่าขึ้นบ้างพรานใหญ่จึงเริ่มขึ้นว่าเอาละ่ะทั้งสองคนยังพอไหวไหมง่วงหรือว่าหมดแรงแล้วยัง ไหวนะมันก็ไหวละนายแต่นายจะเอาอยัางไงล่ะตกคําย้อนถามมาอย่างมืดมนฉันต้องการทําอย่างนี้นะคือเราสามค น, นหมายถึงฉันบุญคําแล้วก็จันเราจะย้อนตลับทางเดิมเข้าไปหาช่องถ้าที่ทั้งสองคนโผล่มานั่นแหละเราจะเข้าไปจนถึงปากทางตรงที่หินมันถล่มลงมาปิดเนมะื่อตอนเย็นนี่ และจะช่วยกันสัมปริทีหนึ่งสองคนจะต้องนำทางฉันเข้าไปบุญคำก็จันอ้าปากค้างจ้องหน้าเขาในเงามืดอยู่ครู่นึ่งจันครางออกมาว่าจันกรับพี่คําณพานายเข้าไปดูได้นายแต่มันไม่มีทางเลยนะนายจะเสียเวลาไ ป, ปเปล่าเปล่เาเขาเธอจะมีทางหรือ ม, มีทางยังไงเราก็จะต้องย้อนกลับไปดูอีกครั้งนึง คราวนี้มันหมายถึงว่าฉันไปเองโดยมีบุญคำกระจันนำทางเท่านั้นต่อให้ไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่เลยก็ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างรู้อยู่เฉยๆไม่ได้นะเขาพูดเบาๆแต่หนักแน่นนายอย่าว่าแต่จะไปช่วยเอาชีวิตสองคนนั้นให้รอดออกมาเลยนายต่อให้ศพก็ยังไม่มีทางจะหาได้พบ เาสมุนมือขวาของเขากระซิบเสียงเบาที่สุดการจะช่วยชีวิตให้รอดออกมาได้นะ่ะฉันเองก็ไม่หวังเหมือนกันแต่อย่างน้อยที่สุดฉันจะต้องรู้ให้แน่ๆว่าสองคนตายอยู่ตรงไหนและถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องเอาศพเขาทั้งสองออกมาให้ได้เข้าใจไหม สมุนคู่ใจซ้ายขวารู้นิสัยใจโคเจ้านายดีอยู่แล้วว่าเป็นคนยังไงนายจะไปเดี๋ยวนี้เลยเลยบุญคำถามใช่เดี๋ยวนี้จะรอใช้อีกไม่ได้เป็นนั้นค่ะอา้าวแลวบวกนายห้างฝรั่งบวกนั่นละนายก็เพราะอย่างนั้นน่ะสิฉันถึงบอกว่าเราต้องไปกันเดี๋ยวนี้ไง ไปกันก่อนที่พวกนั้นจะตื่นขึ้นมาแล้วต้องไม่รู้ความจริงอะไรทั้งนั้นในระหว่างที่ฉันย้อนกลับเข้าไปค้นในถ้าใต้ภูเขานั้นไม่เฉพาะแต่พวกเจ้านายเท่านั้นแม้พวกลูกหาคนไหนก็จะไม่รู้ความจริงก่อนทั้งนั้นแหละนอกจากเสือก็ะเกิดเท่านั้นนายแล้วถ้านายไปกันนะจันลุงคาแล้วยังไม่กลับมาจนกระทั่งรุ่งเชา้า นายห้างพวกนั้นตื่นขึ้นมาถามเกิดจะบอกเขายังไงอายนายเกิดร้องออกมาเบาๆอืมฉันเตรียมไว้แล้วเกิดกระเสยมีหน้าที่ทําตามคําสั่งกันนะ้เดี๋ยวฉันจะเกียนจดหมายสักสองสามตัวถึงนายห้างบอบพอเขาตื่นขึ้นมาเกิดก็จดหมายที่ให้ก็แล้วกันดูเหมือนระพินยังอธิบายอะไรไม่กระจ่างนับชะงักทางไว้ชั่วคราวแค่นั้น ตัวเองคว้าสมุดฉีกเล่มเล็กๆประจำติดตัวอยู่เสมอออกมาพร้อมกับปากกาลูกลื่นแล้วขยับไปนั่งอาศัยแสงสว่างจากก้อนแก๊สที่เกิดจุดไว้พร้อมทั้งลงมือเขียนหวัดๆข้อความว่าเรียนด็อกเตอร์สแตนลีย์ีดและเบผมไม่อาจทนรอยอยู่จนถึงรุ่งเช้าได้ขณะที่เขียนโนตนี่ สี่นาฬิกาแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววว่าคนของผมสองคนกระเชิดบุตรและคริสตินา่าจะมาถึงยังจุดนัดพบของเราที่นี่ได้ผมจึงตัดสินใจออกติดตามด้วยตนเองหน้าที่รับผิดชอบในขณะที่ผมไม่อยู่นี่ขอมอบให้แกพรานหนุ่มของผมสองคนที่เหลือคือเกิดกระเรยเมื่อคุณทั้งสามตื่นขึ้นมาแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องรอคอยผมอยู่บนยอดสักดานี้อีกต่อไป ขอให้เคลื่อนกระบวนของพวกเราทั้งหมดรวมทั้งกะเหรี่ยงอพยพไปยังหมู่บ้านห้วยเสือร้องซึ่งจะไม่ไกลจากที่นี่นักเกิดและเสยจะเป็นผู้นําทางเมื่อถึงที่นั่นหยุดพักรอฟังข่าวจากผมอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวไปไหนเป็นอันขาดและไม่ต้องออกติดตามผมเลยขอย้ำํำว่าจงพักรออยู่ที่หมู่บ้านห้วยเสือรอง ผมจะไปพบภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนับจากเวลานี้และไม่ต้องห่วงผมจงรอคอยกันอยู่อย่างสงบสำหรับเกิดและเสยเข้าใจคำสั่งของผมดีแล้วระพินไพยวันแพนใหญ่ฉีกระดาษออกจากเล่มพับส่งให้เกิดพร้อมกระสั่งว่า นี่เมื่อไหนห่างบ๊อบตื่นขึ้นมาเอาจดหมายของฉันให้เขาไม่ต้องไปปลุกปล่อยพวกเขานอนกันตามสบายที่สุดตื่นเวลาไหนถ้าเขาถามถึงฉันเมื่อไหร่ข้อยอาหนังสือนี่ให้รับพินพูดช้าๆเพื่อให้เกิดเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่สุดสำหรับตัวเกิดเองให้ทําอย่างนี้นะข้อที่หนึ่ง ไม่ต้องบอกความจริงให้ใครฟังสักคนยกเว้นเสยคนเดียวว่าบุญคำกระจันลอบมาพบฉันที่นี่ตอนใกล้รุ่งโดยไม่มีนายทหารเชิดพุทธกแมมคริสกลับมาด้วยเข้าใจไหมเกิดพยักหน้าพร้อมทั้งทวนคำตามคำสั่งของเขาระพินสั่งต่อไปข้อที่สองถ้าพวกนายจ้างถามว่าฉันออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ให้บอกว่าฉันออกจากแคมป์ไปเมื่อตอนตีสี่ไปคนเดียวโดยฝากจดหมายฉบับนี้ไว้ข้อที่สเมื่อทุกคนตื่นพร้อมกันหมดแล้วให้เคลื่อนขบวนทั้งหมดไปพักรออยู่ที่ห้วยเสือร้องแล้วก็รอกันอยู่ที่นั่นจนกว่าฉันจะไปพบข้อที่สี่ในบรรดาพวกนายจ้างทั้งสามคน ถ้าจะมีใครก็ตามคิดที่จะออกติดตามฉันบอกให้เขาเลิกลมความคิดนั้นจ้ะแล้วอย่าให้ออกตามมาเป็นอันขาดและแม้ว่าพวกนั้นไม่มาเองแต่ใช้ให้ใครไม่ว่าจะเป็นเกิดเสยหรือกระเรียงคนอื่นๆออกตามก็ไม่ต้องทำตามเขาจะเรียกเขไปสอบถามอะไรมากนะักก็บอกแต่เพียงว่าไม่รู้ไม่เห็น แล้วก็ปลอบใจเขาไว้ว่าฉันจะต้องกลับไปที่หัวสือร้องอย่างแน่นอนเท่านี้แหละที่ฉันสั่งจำได้ไหมเจ้าพรานเด็กหนุ่มผู้ช้าชทบทวนคำสั่งของเขาไปทีละข้ออย่างถูกต้องแล้วรับปากมั่นคงว่าเกิดจะทำตามคำสั่งทั้งสี่ข้อของนายว่าแต่นายเขียนถึงนายหัางบ๊อบยังไงมั่งล่ะ ฉันก็บอกพวกเขาว่าฉันจะออกค้นหาตามลาพังเพราะทั้งสี่คนยังไม่มาและขอเวลา24ชั่วโมงจะกลับไปพบกับพวกเขาที่ห้วยสือร้องตําชับแม่เขาออกตามด้วยแล้วให้พวกเขาไปรวมกันอยู่ห้วยสือร้องอย่าเผลอพลางปากออกมาล่ะว่าฉันไปกับบุญคำกับจันประโยคหลังระพินคาดคันครับนายเกิดจะไม่บอก ใ, ใครรู้ก นอกจากไอ้เสยคนเดียวจะหาโอกากสกระซิบกระมันโดยไม่ใครเห็นดีมากเอาละดับไฟซะแล้วก็ไปได้แล้วฉันบุญคำแล้วก็จันก็จะไปเดี๋ยวนี้เหมือนกันกล่าวจบเขาก็ลุกขึ้นยืนเกิดก็เนียวแขนไว้ระพินมองหน้าเจ้าพรานเด็กหนุม่มเขาของเขาฝืนยิ้มแห่งแรง อ้ำอึงรีรออยู่ทำไมเกิดมีอะไรอีกนายนายบอกว่านายจะไปพบที่ห้วยเสือร้องภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงก็แล้วถ้าถ้าเกิดย4ิบสี่ชั่วโมงแล้วนายยังไม่มาล่ะเกิดกระสรอจะทำยังไงนายเป็นคำถามที่ฉลาดรอบคอบพอตัวทีเดียว สำหรับเจ้าพรานเด็กหนุ่มของเขารับพินตบไหลเอางี้นะถ้า24ชั่วโมงแล้วฉันยังไม่โผล่ไปที่ห้วยเสือร้องให้หาทางถ่วงเวลาไว้ต่อไปอีกสัก24ชั่วโมงเป็นระยะเวลายืดยุนแต่ถ้าสองวันแล้วโดยการไปรอยอยู่ที่ห้วยเสือร้องฉันบุญคำแล้วก็จัายังไม่โผล่ไปอีก ก็บอกได้เลยว่าทุกคนตายหมดแล้วรวมทั้งชั้นด้วยให้พวกเขาตัดสินใจเอาเองว่าจะเดินทางต่อไปโดยเกิดกระสิยเป็นคนนำทางหรือว่าเขาจะกลับยังไงก็สุดแล้วแต่เขาเกิดน้ำตาคลอในเงามืดเสียงเครือนายไหนๆสองคนนั้นก็ตายไปแล้วอะทำไมนายลุงคำกันนะจัน จะต้องไปเสียเวลาเสียงกันอีกนะนายก็กลับไปบอกพวกนายห้างเขาโดยตรงตามความจริงที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของนายหรือเป็นความผิดของลุงคําหรือน้าจันทร์หรือใครเรืงนั้นนี่แต่เป็นความผิดของนายตาหันเชิดพูดกระแห ม, มคริสเองตาหักละ่ะที่มัวแต่เงอะงะงุ่งงามไม่ทําตามที่นัดกันไว้ก่อนนะนายระพินโอบแขนกอดเกิดไว้สั่นหน้าช้ า, ชา เกิดนั่นนะไม่ใช่หนทางสุดท้ายที่ฉันจะเลือกนะในฉันก็ยังไม่เชื่อว่าสองคนนั่นตายไปแล้วจนกว่าจะไปเห็นศพหรือที่ตายของเขาแน่ๆซะก่อนสมมุตินะสมมุติว่าโอกาสหนึ่งในแสนที่เขาทั้งสองคนยังไม่ตายแต่รอรับความช่วยเหลืออยู่หากเราหวนกลับไปช่วยเขาก็รอดได้ แต่ถ้าเราด่วนลงความเห็นไปเสเลยว่าเขาตายไปแล้วโดยไม่พยายามช่วยเหลืออะไรเลยเขาก็ต้องตายไปจริงๆซึ่งคนอย่างฉันจะไม่ทำอย่างนั้นเป็นอันขาดทำใจดีๆไว้เกิดเราะผ่านพระชนทัยมาร้ายกาดกว่า น, นี้มากนะไม่ต้องหง่วงฉันหรอกวาระสุดท้ายจริงๆสมมุติว่านายทหารเชิดพุทธกัแมมคริสไม่กลับออกมาอีกแล้ว แต่ฉันบุญคำและจันท์ก็ต้องปรับออกมาจนได้นั่นแหละบุญคำกับจันทร์พยายามแล้วนะฉันเชื่อแต่ฉันเองล่ะฉันยังไม่ได้ลงมือเลยและถ้าฉันลงมือเองแล้วยังไม่สําเร็จมันก็ของแน่ว่าสองคนน่ะตายจริงในที่สุดนายก็ต้องทํางานหนักกว่าทุกคนเหนื่อยยากลําบากกว่าเพื่อนี่แหะ เกิดพูดทั้งน้ำตาระพินไม่พูดอะไรอีกแต่สะกิดไหลทั้งบุญคำและจันให้พักออกเดินทันทีโดยไม่หันหลังกลับมาอีกเกิดยืนซึมอยู่ครูน่นพอทั้งสามหายไปในความมืดและม่านหมอกอันหนาทึบก็หันมาดับไฟเอาเศษกระป๋องเรชั่นที่บุญคำกับจันเปิดกินเมื่อครูน่นี้แอบซ่อนลบร่องรอยซะ แล้วบ่ายหน้ากลับแคมป์โดยจิตใจที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายบุญคำกัจจันนั้นแต่แรกเห็นหมดแรงสิ้นหวังแล้วแต่เมื่อกลับมาพบหน้าเจ้านายและมีระพินร่วมลงมือปฏิบัติการด้วยเช่นนี้ทั้งสองก็กลับมีกำลังใจขึ้นมาอีกทันทีพานำออกเดินทางไปโดยเร็วเลี้ยวลัดซอกซอนไปตามโขดหินน้อยใหญ่ที่งอกอยู่เป็นป่า ในเงาปกคลุมของหมอะโดยไต่ลงเบื้องตำ่ำเพื่อมุ่งเข้าหาบริเวณปากพโพรงตรงตำแหน่งที่คนทั้งสองสมสานมุดลอดกันออกมาไม่ง่วงไม่หิวอีกแล้วแต่ทรหดสุดใจขาดดิ้นตามวิสัยลูกป่ทั้งสามไปกันด้วยความชำนาญต่อภูมิประเทศเยี่ยงสัตว์ป่า และไม่ต้องคอยมาห่วงกังวลอะไรต่อกันทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครอื่นมาเป็นตุ้มพาระทวงซอกซอนกันไปก็คุยกันไปเบาๆระพินตรวจวิทยุของเขาเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่ามันปิดสวิตแน่นอนโดยจะไม่ถ่ายทอดเสียงใดๆไปสู่เครื่องรับฟังของพักพวกภายในแคมป์ที่หลับกันอยู่ในขณะนี้พร้อมทั้งกําชับไปบุญคําตรวจสอบวิทยุอีกเครื่องที่แกถืออยู่ด้วยเพราะต่อไปนี้ จะไม่ใช้วิทยุอีกแล้วพ่อ ก, กันแม่สเตลีคิดหรืออิสเบลจับได้ยินการเคลื่อนไหวได้จำไว้บุญคำถ้าวิทยุมันดังเรียกขึ้นก็อย่าเปิดเครื่องพูดต่อไปนันขดัดไม่แน่เหมือนกันว่าพวกนายจ้างสามคนที่เหลือในแคมป์อาจเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะถ้าเขากดเรียกโดยเรายังอยู่ในรัศมีที่คลื่นที่ส่งถึงกันได้ ออสัญญาณมันจะดังขึ้นที่เครื่องเราบุญคำตรวจเครื่องที่แกถืออยู่ในมืออีกครั้งแล้วตบสลวากาศหดจมลงไปในเครื่องปิดปลอกหนังหุ้มใช่ยัดใส่ย่ามหลังโดยไม่คิดจะใช้งานอีกเลยนายนี่นายได้พักผ่อนหลับนอนมั่งหรือยังแกถามอย่างเป็นห่วงก็หลับหลั บ, ลบตื่นตืนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ แต่ถึงยังไงก็ยังพอได้เอนหลังพักตามามั่งแล้วเราสองคนเนี่ยแน่ใจเหรอว่ายังไหวโอ้ยสบายทำมากันนายแบบนี้เนี่ยถึงไหนถึงกันเลยเมื่อกี้ก็ได้รองกระเพาะบ้างแล้วเรียวแรงพอะจะกลับคืนมามั่งไอ้เนื้อยากนะมันไม่เท่าไรหรอกนายแต่มันคิดถึงว่านายทหารกาแหม่คริสจบเฮไปแล้วโดยช่วยไม่ทันนี่สิ ไอ้คำกอาจันน่ะหมดแรงเลยไม่น่าเลยพระผาเดินเข้าหาที่ตายแ ท, แท้ๆยังเล่นกุ๊กกี้กุ๊กกี้กันอยู่ได้ก็ยังว่าแลวนายคนหนุ่มๆสาวๆนะ่ะบุญคำดูว่านายทหารเชิดวุตแกจะชอบแมมคริสอมากๆนะนายป่านนี้คงนอนกอดกันอยู่ใต้ก้อนหินถแถวปากคำานี่ยละ้มะ พออิ่มท้องมีแรงเข้าหน่อยชักปากเสียตะคำตะกี้เห็นร้องงึดองือยู่เลยรับพินดุเบาๆกบุญคำสงสารสองคนนั่นน่ะแม่มก็แสนสวยนายทหารเชิดพุสแกก็แสนดีกับบุญคำมาด้วยกันแบบนี้แล้วใครจะอยากให้แกตายล่ะแกพูดเสียงละห้อย จอมพลไม่สนใจอะไรกระถ้อยคำของตาเท่าจอมสับ ป, ปะดกอีกสอบถามเอารายละเอียดอีกครั้งรกระจันเกี่ยวกับสภาพของถ้ำที่เล็ดลอดกันออกมาได้แล้วเล่าให้ทั้งสองคนฟังถึงเหตุการณ์ด้านบนหน้าผาที่ฝ่ายเขาเผชิญมาก่อนที่หินจะถล่มการปรากฏกายของไอ้งาดำซึ่งนัดหินลงใส่โคหินก้อนมามาซึ่งเป็นรอเคาะรอยขอดอยู่ แล้วเขายิงมันกลิ้งลงมาปะท่าหินก้อนนั้นแล้วทำให้ภูผาทั้งหมดเริ่มมีอาการเหมือนแผ่นดินไหวใครอยู่ในสภาพอย่างใดและเจ็บเช่นไรบ้างและในที่สุดเมื่อทุกอย่างจบสิ้นลงก็ปรากฏว่าช้างใหญ่ที่ทุกคนเห็นว่ามีงาสีดำสนิทได้เปลี่ยนสีของงาจางลงกลายเป็นงาสีขาวปนเหลืองธรรมดาอันเป็นสภาพที่ผิดปกติวิสัยของช้างสามันที่สุด บุญคำกระจันได้ทราบข่าวเกี่ยวกับช้างงาดำที่พอยิงถูกตายแล้วงากลายเป็นสีงาช้างตามปกติก็อุทานเสียงหลงชิบหายแล้วสินายถ้าแบบนั้นมันก็แปลว่าช้างงาดำมันไม่มีสุตวิ ญ, ญญาณไรมันจะลงเสิงตัวไหนตัวนั้นก็จะกลายเป็นไอ้งาดำทันทีสินาย ต่เท่าหลุดปากออกมาอย่างคนรู้เรื่องสายเวทอาถรรดีอยู่แล้วเออใช่ฉันเองก็เพิ่งจะมารู้เอาเมื่อตอนนั้นเองผู้ฝรั่งที่ขึ้นไปด้วยทุกคนก็มองเห็นเหมือนกันหมดไม่ใช่ฉันเห็นอยู่คนเดียวที่คราวนี้มันยิ่งกว่าสมัยที่มันลงสิงเสือโคร่งดำที่ประเดี๋ยวเป็นหินประเดี๋ยวกลับมาเป็นเสือมีชีวิตอีกใช่ไม่นาย เออยิ่งกว่าหลายเท่านับยุคก่อนนี่มันสลับเปลี่ยนวิญญาณกันระหว่างร่างของไอ้นักบวชโลนกระเสือหินสีดำเท่านั้นแต่คราวนี้มันแหกกลุ ป, ป่าชานิตรานคนครเอาไอ้ผีดิบยกขบวนกระอมาทั้งกลุมีหน้ำซ้ำยังใช้ช้างป่าเป็นบริวาร น, นับไม่ถ้วนตัวไหนเป็นช้างสำคัญมันก็ลงสิงกลายเป็นช้างงาดาทันทีเพราะฉะนั้นไอ้งาดาจะเกิดขึ้นได้เรื่อย ล้มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดจนกว่าเราจะล้มหรือขจัดวิญญาณอุบาทของมันไตรลงได้ท่านนายจะทำยังไงดีอันนียจันถามก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันต้องค่อยคอยคิดค่อยๆแก้สำคัญก็คือคุมสติให้ดีแล้วกันทั้งบุญคำและจันก็สิ์มีครูเหมือนกันไม่ใช่เหรอทั้งสองถอนใจเฮือกออกมาพร้อมกัน ครูก็มีอยู่รอกนายแต่ครูคนไหนก็ไม่แรงเท่ากับครูที่มากับไอ้คำกับไอ้จันเดี๋ยวนี้ครูรพินยังไงละ่ะนี่ถ้าครูไม่มาด้วยยากบุญคำก็ไม่กล้าย้อนกลับไปที่เก่าอีกถามไอ้จันดูก่อนจะโลลกมาได้ก็เกือบโมยเหมือนกันจง้างผีเจ้าของธรรมดักแผ้พังพันอยู่ปากโพรง เล็บล ok, oh. ok, ิ้งอยู่แปรปับหัวเ่ากระโดงฝัดเข้าคาถากีบทงัดออกมาใช้มุดมันก็ไม่ยอมไปจะยิงด้วยกระสุนที่ลงอาคมไว้ก็ยิงไม่ออกสงสัยจะอยู่ใกล้เคียงกับเส้นทางเดินของเหล็กไหลผลที่สุดก็เลยต้องงัดเอากรุงเกงในของแม่เบลออกมาโยนใส่ฮิโท ที่แท้ก็เง้าไม้โพลพ้นดินขึ้นมาแต่ตอนที่เห็นอยู่เป็นนานสองนานนะ่ะมันงูจงอางชัดๆทํามใต้เขาใหญ่ลูกนี้นะ่ะมันเฮี้ยนมากนะนายเจ้าทํามก็เกะ ก, กะอันดพานที่สุดมันเป็นพวกรากสดผีร้ายไม่ใช่ทัรอกตาพรานเท่าครางอ๋อยเออมันจะเป็นอะไรก็ชจังหัวมัน มาเดี๋ยวรู้เองว่ามันจะแน่สักแค่ไหนระพินบอกมาเสียงเกรียมๆในลําคอประมาณไม่เกิน20สบนาทีเท่านั้นทั้งสองก็นำเข้ามาพบเข้ากับปากถ้ำขนาดเรื่องสูงราวสองเมตรครึ่งกว้างกว่าห้าเมตรเป็นเวิ้งพวงเข้าไประพินฉายไฟสำรวจอย่างใค ร, คร่ครวนลักษณะของปากถ้ำนั้น มองผาดผาดว่ามันจะเป็นโพรงถ้ำขนาดเขื่องพอสมควรทีเดียวแต่จากคำบอกเล่าเดิมของบุญคำกัจจันแสดงว่ามันถ่วงกว้างเฉพาะทางออกเท่านั้นเมื่อลึกเข้าไปจะต้องเป็นเส้นทางที่สอบแทบชนิดที่บางขนาดต้องกระดึบกระดึบคลานเลื้อยกันเข้าไปประสาทสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างทาให้เขายืนรีตาพิจารณาเฉย อ, อยู่ก่อน สมุนคู่ใจซ้ายขวายืนชิดอยู่เบื้องหลังเป็นทางออกทางเดียวใช่ไหมนี่มีทางอื่นที่จะออกได้อีกวะเขากระซิบถามเสียงแผ่วต่ำไม่มีแล้วล่ะนายถ้าจะมุดจากฝากโ น, น้นมาโผล่ด้านนี้ได้ก็ต้องออกตรงแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นแหละบุญคำตอบ และถ้าจะมุดไปในถ้ำจริงๆโดยไม่เสียเวลาทําอย่างอื่นระยะทางมันยาวนานสักเท่าไหร่ถึงจะทะลุระหว่างฝากน้นกับฝากนี้ก็ราวๆสองชั่วโมงเท่านั้นนะนายเอาละทั้งสองคนถอยไปก่อนถอยหย่างๆไปรวมอยู่ด้วยกันภาวนาบทหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์คุ้มตัวเองเอาไว้ เดี๋ยวฉันจะทำอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเยวท่านั้นเสร็จแล้วจะเรียกระหว่างนี้ถ้าเกิดอะไรพิสดารพิสดารขึ้นก็นอย่าตกใจนะคุมสติให้มัน่นภาวนาเข้าไว้ก็แล้วกันระพินไพรวันสั่งคนของเขาบุญคําและจัน์ก็พากันก้าวถอยหลังออกไปทันทีปล่อยให้ระพิน์ยืนประจันอยู่หน้าปากถ้ำลักษณะประหลาดนั้นตามลำทาง อย่างโดดเดี่ยว77บัดนี้บุรุษผู้แทบจะตลอดทั้งชีวิตของเขาอุทิศให้แก่ป่าดงพงไพรไม่ผิดอะไรกับชาวป่าคนหนึ่งได้ยืนสำรวมสมาธิสงบนิ่งพร้อมทั้งพลังจิตอันแน่วแน่วิทยาศาสตร์ที่ร่ำเรียนมาปัดออกไปหมดสิ้นจากสมองคงเหลือไว้แต่ไสยศาสตร์มนมืด ที่ได้รับภ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ในระดับพระโสดาบันทั้งหลายอันเป็นศาสตร์ที่เขายัางซึ้งตระหนักแน่อยู่แก่ใจตนเองเท่านั้นไม่เคยพิสูจน์ให้ใครเห็นเลยและจะนำออกมาใช้แต่เฉพาะเมื่อถึงคราวจำเป็นขีดสุดโดยไม่มีวิธีอื่นจะเลือกได้บริกรรมเป็นอัตคาถาสั้นๆย่นยอ่อพระพุทธคุณอยู่เหนือหัวเป็นที่ตั้ง บินามานดาถักมาแล้วก็ปรมาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาให้ทั้งหลายดวงตาทั้งสองเบิกจ้องผ่านไปในความมืดทะมึนของช่องทางเข้าปากถ้ำนั้นโดยไม่กระพริบส่งกระแสจิตเข้าไปทันทีเรามาด้วยคาราวะไม่ได้มินยามหรือว่าจะคิดลองดีประการใดเลยผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้ครอบครองถ้ำและขุนเขานี้ ขอจงเปิดทางให้แกเราด้วยเถิดขอจงเปิดทางให้แกเราด้วยเถิดเบื้องนอกอย่างนี้หนาวเยือกอยู่แล้วแต่บัดรดนลมเย็นประหลาดวูบหนึ่งก็พัดจากโพรงถ้าพลุออกมาราวกับมีพัดลมยักษ์เป่าและฝุ่นละอองคลุ้งตลบผ่านกายเขาแล้วพัดเลยผ่านไปอย่างบุญคำและจันที่ยืนพนมมือสวดมนต์อยู่ เป็นกลุ่มลมเย็นเหมือนเป่าผ่านออกมาจากถ้ำน้ำแข็งพร้อมกันทั้งสมุนซ้ายขวาของเขาก็สำเนีจอชว่าเชิงเขาบริเวณ น, นั้นลั่นคึกราวกับมีตีนมหายักษ์ก้าวผ่านเลยหัวไปโดยลั่นเป็นระยะระยะห่างออกไปตามลำดับทั้งบุญคำและจันขนลุกชันทั้งกายแต่ความที่เคยเรียนรู้มาก่อนบ้างแล้วในเรื่องประเภทนี้ ทำให้สงบนิ่งอยู่กับที่โดยไม่เคลื่อนไหวขยับขยื่นหรือแสดงอาการอะไรให้เป็นที่ผิดปกติออกไปเพราะเข้าใจดีว่าถ้าขวัญเสียเพนอกวิ่งเมื่อไหร่ก็จะเสียสติเป็นบ้าไปเมื่อนั้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็จับไข้หัวโกรนุนระยะเวลามันก็แค่อึดใจใหญ่ๆเท่านั้นลมระลอกนั้นก็จางสิน้นลง กระพินไพรวันไหวตัวร้องบอกมาเบาๆด้วยเสียงปกติของเขาปุงคำจันเจ้าที่เขาเปิดทางให้เราแล้วละ่ะเข้ามาเถอะพร้อมกับพูดจอมพลานเปิดไฟฉายประจำตัวส่องจ้าเข้าไปก่อนยังปากโพรงถ้านั้นแล้วก้าวเข้าไปพรานอาวุโสของเขาทั้งสองก็ก้าวตามกระชั้นชิดทันที หมดสิ้นความหวาดหวั่นพรั่นพรึงกับพยันตรายใดๆอีกแล้วผิดกระตอนที่พากันตะเกียกตะกายกันออกมาตามลำพังเพียงสองคนซึ่งตอนนั้นเต็มไปได้วยความปอดแทกขวัญแทบมาอยู่กันเนื้อกันตัวเพราะเจอเข้ากับอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างที่ทั้งคู่ไม่กล้าจะเล่าให้เจ้านายฟังภูมิประเทศของบริเวณ น, นั้นเป็นไปในลักษณะที่เขาคาดคิดไวขณะที่มองเห็นผานผาดครั้งแรกไม่ผิด ภายหลังจากเข้ามาตรวจดูอย่างละเอียดพอสมควรก่อนที่จะเข้าไปยังซอกลึกคดเคี้ยวคือทางกว้างตรงทางออกและสอบแคบเมื่อลึกเข้าไปยังช่องพโพรงซึ่งมีอยู่หลายทิศทางหินตะปุ่มตะปาำของบริเวณนั้นรวมทั้งหนอที่งอกตามพื้นกับผนังรอบ ด, ด้านเป็นสีดำสนิทราวกับนิ่งสะอาดและเย็น ปราศจากวัชพืชริเศษกิ่งไม้ใดๆทั้งสิ้นเนื้อหินเป็นมันลื่นมีรอยชื้นของตานา้มที่ไหลซึมอยู่ตามแนวร่องแตกทั่วๆไปไม่มีร่องรอยว่าสัตว์ชนิดใดแม้แต่ค้างคาวจะอาศัยอยู่เลยนอกจากอย่างเดียวเท่านั้นถ่าจะมีก็คือพวกงูระหว่างที่จอมพลานยังใช้ไฟฉาย เข้าไปตรวจสอบตามก้อนหินของเวิงปากถ้ำเหมือนจะยังอะไรอยู่นั้นทั้งบุญคำและจันทร์ยืนรวมกลุ่มรอคอยเขาอยู่อย่างเงียบกริบและพยายามจับสังเกตว่าเจ้านายตรวจสอบร่องรอยอะไรต่อมาเขาก็เดินเข้ามาใกล้และหยุดยืนอยู่ที่เง่าไม้ขนาดใหญ่อันโผล่ขึ้นมาจากพื้นหินสูงประมาณเมตรครึ่งลักษณะส่วนบนแผ่กว้างประมาณสองฟุตเศษ มันก็คือเง่าไม้หมืนม่นๆมืปีที่แทบจะ ก, กลายเป็นหินแล้วนั่นแหละจอมพรานเอามีดโบวี้เคาะเบาๆนี่ใช่ไหมที่ว่าเห็นเป็นงูจงอางใหญ่ทั้งสองพรานอาวุโสของเขากระเดือกน้ำลายลงคอฝึดๆอีกครั้งตอนนี้มันก็เง่าไม้แล้วนายแต่ตอนนั้นจันห่อไหลลงมาอย่างสยองใจ บุญคำก็กระซิบต่อมาว่าถ้าทางมันไม่ได้ดูเหมือนจะโชกหรอกแต่จะแดดเอ้ยจะงับบุญคำไ้จันขยอกก็ไปเลยละนะเพราะนายมาด้วยเท่านั้นทุกอย่างมันกลับหน้ามือไปหลังมือไปหมดตอนที่ลมเย็นมาพัดวูบออกมาจากปากโพรงเฉียดบุญคำไปบุญคำได้ยินเสียงมันพูดด้วยมันบอกอาคาดไว้ว่ามึง ไอเท่ารามุกมึงระวังตัวไว้ดีคราวนี้น่ะนายมึงมาเองกูก็เปิดทางให้ก่อนถลํมพังมึงสองคนขืนเข้ามาอีกก็ไม่ต้องโพลีวมาอีกแล้วมันว่าอย่างงี้นายแล้วก็มีเสียงเดินเยียผินตุบตุลงไปจากเนินเขาระพินไม่สนใจเพราะรู้กันดีอยู่แล้วว่าจริงบ้างโกหกบ้างไปตามระษาสันดานของแก ตรวจดูแล้วมีเส้นทางเดินของเหล็กไหลจริงๆนั่นแหละแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนตัวไปอยู่บริเวณไหนมีหน้าละ่ะวิทยุถึงเรียกกันไม่ได้เลยนับตั้งแต่หินถล่มทับลงมาปิดปากทางด้านโน้นมีช่องทางที่จะมุดลอดเข้าไปถึงสี่ช่องทางระพินฉายไฟกราดพร้อมก บ, บุ้วยปากไปยังตำแหน่งรูช่องดามืดน่ากลัวที่เขาจะ ซอนเข้าไปในผนังศิลาเหล่านั้นบึญงคำกระจันผูออกมาจากช่องไหนอะซ้ายมือสุดเลยนายจันเป็นคนตอบแล้วอสามช่องนั่นละ่ะเคยสำรวจได้ยังมันไปถึงไหนมั่งก็ท่านในระยะตืต้นๆก่อนจะผูออกมาตรงเวิ้งปากทางออกหนี่ทั้งสี่ทาง มันก็มีเส้นทางจะเจาะชอนถึงกันได้ทั่วไปหมดอะแต่ถ้าลึกเข้าไปแล้วมันจะต้องอาศัยเส้นทางด้านท้ายมาตลอดนอกนั้นจะเป็นทางเวียนสลับไปสลับมาไม่มีทางไปได้ไกลหรอกถ้าไปรู้มาก่อนก็หลงตายที่บุญคำมาพลวงมาฝากนี้ได้ก็เพราะสมัยก่อนนี่เอาปูนขาวกาเป็นเครื่องหมายว่าเป็นระยะระยะ บุญคำน่ะเคยหลงไปอยู่ในถ้ำนี่สามวันสามคืนน่ะคราวโน้นดีแต่ว่ามีน้ำก็เข้าตตากพอประทังไปได้ไม่งั้นก็เป็นฝีผีฝ้าวถ้ำไปแล้วล่ะนายอะพร้อมยังเราจะเข้าไปเดี๋ยวนี่แหละไปนายทั้งสองบอกเป็นเสียงเดียวกันเอางี้บุญคำเป็นคนนำฉันจะตามเป็นคนที่สอง จันก็ระวังหลังไว้ตลอดเส้นทางเราจะช่วยกันสำรวจช่องทางพร้อมกันไปด้วยแต่จุดหมายปลายทางระยะแรกนี่คือจะต้องย้อนไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่ทั้งสองคนหนีหินถล่มหรือปากทางเข้าถ้ำฟากโน้นนั่นแหละเข้าใจไหมกลับไปที่เก่าเข้าใจนายแต่ไฟฉายของไอ้คำกับไอ้จันน่ะผ่านหมดแล้ว การสัร้องก็ไม่มีแสงริบรีนิดเดียวเท่านั้นตะกี้ก็ลืมบอกไอ้เกิดให้แอรเปลีทันไฟมาเปลี่ยนให้ป้ายก็ไม่ได้มีไว้เตรียมติดมาด้วยเลยสักะอันไปอยู่ใกล้พวกลูกหาหมดตาพรานเท่าบนเอาไฟฉายของตนมากดสวิตซ์ส่องให้ดูแสงมันรีขนาดเพียงแค่มองฝ่ามือหินเท่านั้น ระพินส่งไฟฉายประจําตัวของเขาไปให้บอกว่าบุญคำวอาไฟฉายของฉันนี่ใช้เราไปพร้อมๆกันไฟฉายดวงเดียวก็พอระยะไหนไม่จําเป็นถ้าระยะไหนไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องส่องสงวนไฟไว้และฉันก็ยังพอจะมีไอ้นี่อีกดวงหนึง่งเขาชูกล่องพลาสติกที่ถือเตรียมอยู่ในมือชนิดหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับ ก, บกดสวิต แสงสว่างนวลของหลอดนีออนกำลังสว่างขนาดไฟฟ้า60สแรงเทียนก็นวลขึ้นทันทีขนาดของมันเล็กกระทัดรัดนิดเดียวเมื่อเทียบ ก, บกับกำลังแสงที่เปล่งออกมาเพราะเป็นกล่องแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงแค่8ดนิ้วและกว้างเพียงแค่สนิ้วเท่านั้นใช้แทนตะเกียงได้เป็นอย่างดีบุญคากจันอุทานออกมาเป็นเป็นอย่างยินดีดังนั้นก็สบายละนาย ตะเกียงไฟฟ้าของนายสว่างดีกว่าไฟฉายซะอีกเวลาส่องหาอะไรใกลๆ้ๆมาตามหลังให้คำมาอไอจา้จันเองปิดหลังระวังให้ดีนะอย่าให้ห่างจนเอื้อมมือไม่ถึงนายละ่ะว่าแล้วตกคำก็ออกนำหน้าทันทีโดยฉายไฟเป็นจังหวะสั้นๆเพื่อหฮระพินพอจะจับสังเกตอะไรในเส้นทางแต่ละช่วงที่จะผ่านเข้าไปนั้น พรานใหญ่ปิดสวิตตะเกียงไฟฟ้าของเขาเพื่อถนอมแบตเตอรี่ไว้จะเปิดออกสองดูอะไรเมื่อถึงคราวสงสัยไม่แน่ใจเท่านั้นส่วนมากแล้วก็จะอาศัยไปในความมืดโดยฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับความเคยชำนาญทางมาก่อนของสมุนขวาของเขาจันนั้นก็ก้าวตามมาติกๆทั้งชุดไปในลักษณะเรียงเดี่ยวเว้นระยะห่างกันอย่างมาก แค่ช่วงแขนช่องโครงที่บุญคาเริ่มนำเดินเข้าไปนั้นมืดเหมือนเดินเข้าไปสู่นรกมีแง่หินทั้งริมผนังทั้งบนเพดานและที่งอกตามพื้นเกะกะไปหมดซึ่งถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังให้ดีก็จะเดินชนกระทบบาดเจ็บหรือมิฉะนั้นก็สะดุดล้มแต่อันเนื่องมาจากทั้งสมคนที่ไปด้วยกัน ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีอาชีพอยู่กับป่าดงพงไพรขุนเขาและเหวถ้ำมาเป็นอย่างดีแล้วจึงไม่มีอุปสรรคใดๆเลยแค่สกิจเตือนกันนิดเดียวก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าควรจะเลียบชิดซ้ายชิดขวาหรือว่าก้มมุดลอดอย่างไรแม้จะผ่านปากเวิ้งกว้างโดยมุดลอดเข้าไปได้อย่างสบายแต่ลึกเข้าไปได้สักพักเดียว ผลทางก็เริ่มจะต้องก้มๆเงยๆหรือบางขณะก็ต้องมุดลอดในลักษณะเกือบจะคลานรบพินใช้ประสาทสัมผัสสังเกตการเคลื่อนไปเบื้องหน้าของบุญคำซึ่งทำหน้าที่เป็นคนนำทางอย่างดีตัวแกเองก็ไม่ใช้วิธีส่องไฟฉายบ่อยนะักแต่จะใช้การพูดบอกเตือนมากกว่าว่าบริเวณไหนควรจะผ่านไปยังไง ร, ระวังชนแง่หินท่านั้นนายตอนนี้หิวยังไม่มี ตรง ก, กลางๆอีกสักชั่วโมงแล้วก็ต้องระวังกันให้มากๆหน่อยถ้าพลาดก็ลุงบาดาลเลยเพราะรู้มันเยอะรู้กลวงลงไปข้างล่างใต้ดินไม่ใช่รู้ตามผนังน่ะนายแม้เพียงชั่วระยะตึงต้งที่เพิ่งจะมุดลอดคืบหน้ากันเข้าไปเท่านั้นมันกลายเป็นโลกอีกโลกนึงแล้วจะไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าเป็นเวลากลางคืนหรือกลางวันยกเว้นแต่จะมีนาฬิกาดูเวลาเท่านั้น เงียบเียสนิทไม่ได้ยินแม้แต่เสียงมแมลงครูใหญ่ก็มาถึงบริเวณเหมือนถุงกว้างบริเวณหนึ่งบุญคำส่องไฟกาะให้เขาดูเพื่อเห็นภูมิประเทศซะก่อนผนังทุกด้านตันทึกยกเว้นด้านหน้าแห่งเดียวที่มียอมหินลักษณะที่จะปีนป่ายกันขึ้นไปได้ตอนนี้นายต้องเปิดตะเกียงไว้ก่อนนะนะ เราต้องปีนขึ้นไปสูงไปบนยอดหินโน่นแกชี้บอกด้วยเสียงกระซิบพอสุดยอดหินก็ลงทางอีกด้านหนึ่งแล้วก็เข้าช่องแขบเป็นเส้นทางเดินเหมือนกันจอมพรานพินิษไปรอบๆมองไม่เห็นแม่ร่องรอยแตกหรือช่องทางอื่นใดที่จะแยกไปยังเส้นทางอื่นได้นอกจากที่บุญคำบอก แล้วพยักหน้าผลักแกเ บ, บาๆเป็นสัญญาณเตือนให้ปีนนำขึ้นไปตัวเองก็ก้าวตามแง่หินที่แกเหยียบให้ดูเป็นตัวอย่างทุกระยะเปิดตะเกียงไฟฟ้าอันจิ๋วตรวจอย่างไม่ยอมให้อะไรพลาดไปจากความที่ท้วนรอบครอบไปได้บัดนี้คงได้ยินแต่เสียงหายใจของตัวเองเต้นเหลืบกลับมาทางเบื้องหลัง ยันตามติดมาอย่างชนิดไม่มีอะไรจะต้องห่วงบัดนี้ทั้งสามสะพายไรยเฟิลแนบกระชับกับตัวแบบเฉียงไหลโดยแน่ใจว่าจะไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องอาศัยพึ่งพามันก่อนเลยทั้งสิน้นรับพินเพียงแต่ดึงจุด44แม็กนัมที่บรรจุอยู่ในเป้หลังมันเน็บเอวเอาไว้เอาผ้าเขามามัดอีกชั้นหนึ่งในมืออีกข้างกระชับมีดโบวี ซึ่งความจริงก็คือมีดลงอาคมของเขาแตกเคาะหรือมิฉะนั้นก็ใช้ส่วนสันของมันบาดฟันทําตาหนิไว้เป็นระยะระยะมีปล่องทะลุขึ้นไปทางด้านสูงบนเพดานถ้าส่วนไหนมั่งไหมเท่าที่ผ่านมาแล้วนะ่เขาสอบความระหว่างที่ปีนป่ายไ ต, ยตย่ทางกันขึ้นไปบนก้อนหินลื่นเป็นมันแปล ที่งอกสลับเป็นช่อชั้นนั้นและคำถามนั้นเองทำให้บุญคำนิ่งเหมือนจะนึกอะไรอยู่ครู่หนึง่งเอจะมีหรือเปล่าตรงไหนบุญคำก็ไม่ทันจะสังเกตเหมือนกันนายที่พยายามค้นหาก็ค้นแต่เฉพาะทางด้านราบเท่านั้นหวังจะหาทางให้มันเชื่อมทะลุ กับช่องที่นายทหารกระแมมคริสเข้าไปติดอยู่แต่ก็หาไม่พบแล้วตอนที่บุญคำกระจันมุดลอดออกมาก็เป็นเวลากลางคืนมองไม่เห็นแสงอะไรเลยถ้าเป็นเวลากลางวันและถ้ามีปล่องทะลุขึ้นไปจนถึงข้างบนได้ตรงๆแสงมันคงจะลอดลงมาหเห็นได้มัางนะนายและตลอดทางที่มุดกันออกมานะ อากาศเป็นยังไงฉันหมายถึงว่าหายใจกันได้สะดวกดีไหมหรู้ว่ามีตอนไหนที่หายใจไม่ค่อยจะออกบ้างเขาหยั่งเพื่อต้องการทราบสภาพของการถ่ายเทของอากาศและออกซิเจนมันก็หายใจได้สบายเกือบตลอดเส้นทางนั่นล่ะนายก็มีอยู่ตอนเดียวเท่านั้นใกล้กับฝากโน้นเข้ามาสักพักใหญ่ เป็นตอนที่แคบที่สุดต้องใช้วิธีเลื้ยผ่านเข้าไปอย่างงูเพราะเป็นโพรงสูงแค่ศอกเดียวกว้างแค่วาถ้าขนตัวอ้วนใหญ่หน่อยก็จะออกไม่ได้ก็ตรงนั้นแหละที่หายใจไม่ค่อยออกแต่ทางมันก็ไม่ยาวนักหรอกระยะสักยี่สิบกว่าวาหินจะได้ตรงนั้นแหละเรียกว่ารู้จริงๆตัวขนาดนายห้างบ๊อบหรือนายคีดหัวเกรียนนั่นละก็ ิดแง่แกไม่มีทางเลื้อยออกมาได้หรอกยังอยู่อีกไกลนับจากฟากันนี้ไปนายคำบอกเล่าของบุญคำทำให้รพินประมาณการได้ทันทีว่าระบบถ่ายเทอากาศภายในถ้ำลึกใต้ภูเขาแห่งนี้อยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวและนั่นต้องแสดงว่ามันน่าจะมีช่องทางที่จะโผล่กออกไปทะลุยังโลกภายนอกได้หลายทาง เป็นช่องทางระบายลมอย่างน้อยที่สุดก็อาจจะจากปล่องโพรงที่ทะลุสูงขึ้นไปเบื้องบนที่บุญคำยังสำรวจไม่พบมิฉนั้นระยะทางที่ใช้เวลามุดลอดกันออกมานานถึงสองชั่วโมงทั้งสองคนนีจะหมดออกซิเจนและตายซะก่อนอย่างแน่นอนกว่าจะโผล่ออกมายัางอีกฝากหนึ่งได้ความหวังก็เกิดขึ้นอย่างริปรีจากความท้อแท้ทอดอะไร ทั้งบุญคำและจันไม่เข้าใจหรือฉเฉลียวคิดใดๆในคำถามของเขาเลยเพราะตามความคิดไม่ทันก็นึกแต่เพียงว่าเจ้านายชวนพูดคุยฆ่าเวลาไปเช่นนั้นเองพอไต่ลงจากโคกขีนเล็กๆที่ผุดงอกอยู่ใจกลางถ้ำทั้งสามก็ซอกซอนไปตามเส้นทางเดินนั้นรุดหน้าต่อไปอย่างเร่งรีบแข่งกับเวลา แต่การเดินงมไปในเส้นทางใต้ภูเขาไม่ใช่ของสะดวกนะักเพราะเสี่ยงอันตารายอยู่ทุกขณะเนื่องจากพื้นที่ครุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อชนิดที่อาจจะถลาหรือสะดุดลม้มเอาง่ายๆและพอ20นาทีให้หลังก็เริ่มเฉียดมินเมกระปากขอบหิวเล็กบ้างใหญ่บ้างซึ่งบุญคำจะคอยส่องไฟและเตือนให้ทราบตลอดเวลาระพินเองก็ยอมรับว่าเต็มกลืนเหมือนกัน ถ้าหากไม่ใช่มีบุญคำกระจันผู้ผ่านเส้นทางมาก่อนแล้วเป็นผู้นําทางเขาคงจะต้องงมและเคลื่อนไปได้ช้ากว่านี้อย่างน้อยอีกเท่าตั ว, บ า, วบางเหียวบางเหี่ยวนั้นจะต้องอาศัยเกาะยึดกะหินริมผนังถ้าเบียดตัวรีบค่อยๆคืบเฉียดผ่านไปอย่างมินเมที่สุดหรือบางแห่งก็ต้องอาศัยเกาะไปยินตามผนังข้างทุกเหว ทุกตำแหน่งอันหน้าที่จะคิดว่าควรมีทางแยกไปยังเส้นทางอื่นได้รระพินจะยอมหยุดเสียเวลาใช้ไฟส่องอย่างละเอียดที่สุดแล้วทำตำหนิหมายตาไว้กันลืมมีซอกทางแยกเริ่มให้เห็นถี่ขึ้นทั้งสองฝั่งทางจอมพรานทดลองบอกให้บุญคำและจันหยุดรอและตัวเองเปิดตะเกียงไฟฟ้าส่องย้อนเข้าไป ก็ปรากฏว่ามันเป็นจริงตามที่ทั้งสองได้บอกไว้ก่อนแล้วส่วนมากนั้นเดินลึกเข้าไปได้สีห้าวาเท่านั้นก็พบกับผนังหินตันทึบบางแห่งอาจจะมีการหักคดเคี้ยวมีท่าทีว่าน่าจะมีซอกซอนไปได้อีกไกลแต่พอเลี้ยวเลาะไปได้สักสองสามช่วงก็พบกับหินตันอีกหรืออย่างมากที่สุดก็จะพบกับรอยแตกราวของหินเป็นเส้นดามืดเข้าไป กว่าแค่ฝ่ามือเดียวเชื่อบุญคำเหอะนายจันกับบุญคำน่ะลองดูแล้วทุกซอกทีเดียวแหละมันก็อีอย่างที่นายเห็นตันมั่งเจอก็หิวดักอยู่ที่ลึกสุดมั่งหรือไม่ก็มีรู้ซอกแค่คืบสองคืบนอกจากจะแปลงตัวเป็นตุกแกได้เท่านั้นและ ย, ยังไม่รู้เลยว่าถ้าเป็นตุ๊กแกแล้วคลานตามซอกหินแ ต, แตกๆเล็กๆเข้าไป จะไปโผลกที่ไหนได้อีกหรือเปล่าบุญคําว่ามันตันไปหมดมีทางเดินสายกลางให้อาศัยอยู่สายเดียวเท่านั้นที่จะเชื่อมตีนเขาฝากกันโนนกับฝากกันนี้นายเองก็มีวิชาดีน่าจะเรียกเจ้าของถ้ำมาถามดูว่าสองคนนั่นอยู่ที่ไหนตายแล้วอย่างนี่บุญคําถ้าฉันวิเศษถึงขนาดนั้นน่ะฉันไม่เรียกเจ้าถ้ำออกมาถามไม่เสียเวลาหรอก เรียกทั้งสองคนนั้นออกมาซะเลยไม่ดีกว่าลนะ่ะมีปากก็สักแต่พูดพูดแต่พูดไอ้ที่ไห่เป็นภาษาไปกันมา น, นี่ไม่โตกเขวไม่ถูกงูฉกก็ดีเท่าไหร่แล้วจะบอกให้ก็ได้ตอนที่ฉันเลี้ยวก็ไปทางซอกต่กี้เนะี่ยพบคราบจงอางร้อยเกรดตะละกรดนะิะขนาดเท่าสองบุรีระหังระหังโยระคุณ ไม่เคยมีเวรมีกรรมกันมาก่อนขอใหญ่พบหน้ากันเลยเสียตาเท่าสั่นรัวยกมือพนมท่วมหัวและก็เป็นที่น่าประหลาดสำหรับบุญคาและจันอยู่ไม่น้อยเช่นกันเพียงแต่ไม่ปริปากพูดออกมาเท่านั้นการย้อนกลับเข้ามาในถ้ำลึกเลี้ยวอันน่าสะพึงกลัวใต้ภูเขาทั้งลูกโดยมีระพินไพรวันมาด้วยในครั้งนี้ ไม่ผ่านพบกษัตริย์เลือคลานอันตรายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งไม่มีภาพมายาคอยหลอกคอยหลอนให้ตาฝาดเห็นไปได้ต่างๆนานาเพียงแต่เดินระวังชนหินหรือตกเหวอันเป็นภูมิประเทศตามธรรมชาติเท่านั้นหนทางปลอดโปร่งที่สุดในที่สุดก็ผ่านปากขิวขนาดใหญ่ที่บุญคำเคยบอกไว้ว่ า, วาขนาดโยนก้อนหินลงไป ยังไม่ได้ยินเสียงกระทบซึ่งเมื่อพรานใหญ่ทดลองดูก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆไฟฉายดนนไล่หกท่อนอันเป็นไฟล่าสัตว์ที่รัศมีส่องได้ไกลและโฟกัสแคบที่สุดฉายลงไปก็พบแต่อากาศอันว่างเปลา่าไม่มีที่สิ้นสุดปลายลำแสงกลืนหายไปในความมืดเว้นแต่จะเฉียดฉายเข้าไปริมขอบขอ บ, ขอบซึ่งก็จะพบ เฉพาะแง่หินที่โผล่เ ก, กะกะออกมาเท่านั้นสุภาพบุรษุษจอมไพยเป่าลมออกมาจากปากป่ายแขนเสื้อขึ้นเช็ฟหน้าผากนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งของหลายๆครั้งที่เขาบังเกิดความหมดแรงท้อแท้แต่ก็สู้กัดฟันมานะฝืนทำกิริยาให้แลดูเป็นปกติที่สุดในสายตาของลูกน้องสองคนที่ติดตามมาด้วย เขาเพียงแต่จะแสดงออกถึงความสิ้นหวังทอดอะไรแม้แต่นิดเดียวทั้งบุญคำและจันจะยิ่งเสียขวัญและหมดกําลังใจทันทีส่องไฟตรวจเข้าไปในบ่อเหวขนาดใหญ่ราวกับเป็นทางนำไปสู่เมืองบาดาลตามที่บุญคำกระจันว่าและ้วะพินก็กระโดกลําไฟฉายทางเบื้องสูงเหนือสีสากขึ้นไปบ้าง ผิดกระเพดานถ้ำทุกทุกตอนที่ผ่านกันมาแล้วหินแต่ละก้อนซ้อนทับกันอยู่ไปมาสวยงามยิ่งเป็นหลืบเป็นแง่ตะพักน่าสังเกตอยู่แต่เท่าที่ล้ำไฟส่องขึ้นไปในขณะนี้สุดปลายทางของมันก็คือเพดานที่เป็นหิน ย, ย้อยโผล่แซมลงมาเต็มไปหมดเหมือนฟันสัตว์ประหลาดที่อ้าเรียมจังงับลงมา ฉชนนั้นและแลว้วบัตรนั้นเองโดยไม่ได้บอกให้บุญคำหริจันรู้ตัวมาก่อนเลยระพินก็แงหน้าขึ้นป้องปากตะโกนขึ้นสุดเสียงของเขาไลลาบุญคำและจันสะดุ้งโหยงร้องเอิบขึ้นพร้อมกันอย่างตกใจกระแสเสียงนั้นสะท้อนดังก้องไปทั้งผนังถ้าคลื่นเสียงรับทอดกัน และดังล้อเลียนขึ้นไปเบื้องสูงอื้ออึงไปหมดเสียงวังเวงสูงขึ้นไปตามลำดับเหมือนมีใครร้องรับต่อกันเป็นช่วงช่วงแต่ทว่าหางสูงขึ้นสูงขึ้นไปตามลำดับ้ายหลังจากตะโกนออกไปดังนั้นแล้วซึ่งรับพินก็ไม่ทราบตนเองเหมือนกันว่าเหตุใดจึงได้เรียกน้นเดิมแท้จริงของคริสติน่าและเรียกล่อน แทนที่จะเรียกเชิดบุตรตัวเองก็ยืนขมวดคิ้วเงี่ยหูฟังเสียงสะท้อนกล้องรับกันเป็นช่วงๆของตนจนกระทั่งมันค่อยๆแผวเหยอดหายไปในที่สุดซึ่งใช้เวลาประมาณห้าหรือหกวินาทีกว่าจะจางสิน้นกลายมาเป็นความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินตามเดิมนน่นายนาย เสียงบุญคำกระซิบกระสาวเอามือจับแขนไว้แน่นสีหน้าของแกและจัน์ปั้นยากที่สุดลาวฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกบุญคำไม่ได้ป้าอย่าตกใจไปเลยระพินพูดปกติตามเดิมแล้วนายตะโกนอะไรร้องอ้ยาเป็นเจ๊ดไปแล้วเหรอจัน์ถามขึ้นบ้าง ความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับบุญคำในขณะ น, นี้ทั้งสองจ้องเขาขมิงก็ไม่มีอะไรหรอกฉันทดลองตะโกนทาเสียงดังๆส่งเดทไปงั้นแหละจะลองดูว่าโพรงหรือเพดานเหนือหัวเราขึ้นไปตอนนี้เนี่ยมันมีซอกมีมุมหรือว่าสูงขึ้นไปอีกบ้างไหมแล้วทั้งสองคนรู้สึกไหมว่าเสียงตะโกนขึ้นไปเน่ยมันสะท้อนไปสูงขึ้นไปมากทีเดียว เออจรจรด้วยสินายเสียงของนายนะ่ะมันดังเจ็คกกดีพิลึกบุญคำเดอะภาษาฝรั่งเข้าไปให้แล้วคำหนึ่งอาศัยที่เคยคบหาคลุกคลีอยู่กับพวกผิวขาวและได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆจนบางคำแกก็พอจะคุ้นหูพอจะเรียนเสียงได้บ้างและรู้ความหมายพองูงูปลาปลาเอ็กโค อ, อันหมายถึงระบบเสียงสะท้อนก้องซ้าๆ ลอกันไปมาจึงกลายเป็นเจ็กโก้ไปซึ่งระพินก็ฟังรู้เรื่องดีเหมือนกันแต่จัน์ฟังไม่รู้เรื่องสกิดถามว่าพี่คำมันเป็นยังไงอ่ะไอ้ที่ว่าดังเจ๊กโก้บุญคำทําตาเขียวดุเบาเบ่าว่ะาถามไอ้จันเดี๋ยวก็ถีบลงเหวกูวก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นนายรองไอ้ยาไอ้เสียง คำหลังว่ะใหญ่ใหญมันสะท้อนกลับไปกลับมาไปสูงมันไปถึงไหนตัไหนกว่าจะหมดเสียงกับฝันห่างมันเรียกว่าเจ็กโก้วยอ๋อเจ็กโกเจ็กโกจันทำปากหมุกหมิดท่องไว้และพยักหน้างึกเงึกรพินเอานิ้วเคาะขมับตัวเองเขาไม่สนใจว่าลูกน้องสองคนจะพูดอะไรกันอยู่ เริ่มใช้สมองใคร่ครวรหนักอีกครั้งเสียงตะโกนของเขานอกจากสภาพของการสะท้อนกล้องล้อตัวเองแล้วก็กลืนหายไปในความวิเวกสังัดของสถานที่ไม่มีอะไรจะตอบมาเลยนอกจากเสียงเต้นตึกตึกตึกเป็นจังหวะของหัวใจตัวเองในสวงอกนี่เคยทดลองปีนขึ้นไปบนแง่หินข้างบนนั่นมั่งไหม ในที่สุดเขาหันมาถามบุญคำแต่เท่าสันหัวไปเงินไปทำไมล่ะนายก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าหลังคามันตันซ้ำยังมีหินงอกลงมายังก็ฟันตะเคีนี่ช่องที่จะมองเห็นทะลุขึ้นไปตรงไหนกันทึกไปหมดอ่ะแล้วทำไมเสียงของฉันตะกี้นี้ถึงได้ลอยสูงกังวานไกลไปเรื่อยๆละ่ะรับพินเอ่ยขึ้นในลักษณะราพึง มากกว่าจะตั้งคำถามเพราะเรื่องแบบนี้จะไปปรึกษาหาเรืออะไรกระ บ, บุนคำหรือจันก็ไม่มีวันเข้าใจกันได้นอกจากจะใช้ให้ทาอะไรก็ใช้เท่านั้นทั้งสองเงียบเฉยไม่มีความเห็นอะไรเพราะไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์แม้แต่เบื้องต้นมาก่อนแต่จะเรียนมาบ้างกับพระตามวัดในยุคที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็แค่ก็ขอกอก า, กาเท่านั้นต่อมาก็ใช้แต่ความจำ เรียนทางสายเวชอาคมลงอักขรกขอมดิเรฉานวิชาไปตามพื้นเพของตนเอาละเอาละเราผ่านตรงนี้ไปก่อนไปถึงปากทางหินถลม่มลงมาปิดช่องด้านโน้นเลยใกล้เข้ามาแล้วไม่ใช่เลยก็ผ่านเหวนี่เลื้อยลอดหินกันนี่กระเดี๋ยวก็ถึงปากทางฝ้าขนโน้นแล้วล่ะนายรพินส่งไฟฉายให้ตาคํำตามเดิม แล้วทั้งสามก็ค่อยๆไตเลาะขอบหิวอันน่ากลัวนั้นผ่านพ้นไปชั่วไม่นานโดยการลดตัวลงนอนพังภาพกับพื้นและเคลื่อนกระดึบตัวไปแบบงูเลื้อยลอดช่องหินที่กดแคบต่ำลงมาเกือบแนบชิดกันทั้งสามก็พ้นบริเวณวิบากนั้นมาได้โชคดีอยู่บ้างที่พื้นเบื้องตำ่ำซึ่งเอาอกและท้องใสไป เป็นพื้นหินเกลี้ยงเรียบพอสมควรไม่ครุขระหรือเป็นตะปุ่มตะป่ําเกินไปนักจึงไม่เกิดอันตรายอะไรกับผิวหนังมากไปกว่าทะลอกและเสื้อขาดวินบ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะเสื้อและดุมเสื้อของระพินสําหรับจันและบุญคํานั้นรุ่งริ่งมาก่อนแล้วจึงไม่มีอะไรจะขาดอีกนอกจากหนังกําพร้าขณะที่เลื้อยผ่านที่คับขันกันไปนั้น ทั้งสอดไม่ได้ที่จะหวนระลึกไปถึงเจ้านักเลงโตหล่มช้างขยินผู้มีความชํานาญในการเลื้อยเป็นพิเศษเป็นความคิดอยู่ภายในซึ่งตรงกันแต่ไม่ได้เ อ, อ่ยออกมาเท่านั้นในสภาพเช่นนี้ถ้าเป็นขยินไอเสือนั่นก็จะเลื้อยไปได้อย่างรวดเร็วสะดวกสบายนองนองงูทีเดียวพ้นบริเวณ น, นั้นซึ่งก็จริงอย่างบุญคําว่าอีกคืออากาศเบาบางเป็นพิเศษทําให้หายใจไม่เต็มปอดนัก แล้วก็เข้าสู่เส้นทางที่เหมือนเดิมเริ่มมีอากาศพอจะหายใจได้คล่องขึ้นแม้จะไม่ถึงกับอากาศในที่โล่งก็ตามทีจากนั้นชั่วไม่กี่อึดใจที่บุญคำนาหน้าลิวไปทั้งหมดก็มาเผชิญกับปากทางกันหินก้อนใหญ่น้อยนับจานวนไม่ท้วนทับโถมปิดทึบอยู่ตรงปากทางนั้นเป็นหินเราะที่เพิ่งจะถลม่มหักลงมากทับ และไม่ทราบว่าจะโถมทับกันขึ้นไปสูงสักเท่าใดบริเวณอันเคยเป็นตากถ้ำมาก่อนด้านนั้นล้ำเข้ามาข้างในห้าหกว่าก็มีหินลักษณะเดียวกันแต่ก้อนย่อมย่อมกระจายล้ำเข้ามาเกลื่อนไปหมดระพินไพยวันมองตามลำไฟฉายที่บุญคำส่องกว่าให้ดูช้าๆแล้วเขาก็รู้สึกใจหายกระเดือกน้ำลายลงคออย่างไม่รู้สึกตัว นี่แหละนายบากทางที่บุญคำกับจันเพนหนีหินทั้งหลุมเข้ามารอดตายกันแค่เส้นยาแดงเท่านั้นไอ้จันลากขาบุญคำเข้ามาตอนที่หกล้มก่อนจะแล่นไปถึงตัวแหม่มคริสกนายทาหารเชิดบุตรที่เล่นทุบกันอยู่ตุบตับตุบตับนะ่ยจอมพรานหลีมานตาลงลักษณะของเขามือมองจ้องหินซึ่งบัดนี้กลายเป็นผนังปิดเหล่านั้น ย่งตกอยู่ในห่วงพวังบังเกิดความวิงเวียนเหมือนจะเป็นลงจะไปเหลืออะไรอีกแล้วสําหรับคริสติน่าผู้น่าสงสารในความรู้สึกซ่อนเร้นส่วนลึกของเขากับลูกชายท่านนายพลรุ่นน้องผู้น่ารักคนนั้นถ้าหากว่าทั้งสองคนหลบพายุหินเหล่านี้ไม่ทันแม้แต่กระดูกก็จะกลายเป็นผงไปหมดหรือว่าแม้ท่านหลบ เข้าไปช่องโพรงที่มีอยู่อีกสองโพรงใกล้เคียงกับโพรงนี้และค้นหาทางออกไม่ได้ทั้งคู่ก็จะไปอยู่แต่เฉพาะในช่องโพรงแบบฝังทั้งเป็นแน่นอนอย่าว่าแต่ร่างกายขนาดมนุษย์เลยต่อให้ทำตัวย่อส่วนให้เล็กเท่ากับแมลงสาก์ก็ไม่มีวันที่จะซอกแทกมุดภูเขาหินที่ทล่มลงมาทับโถม กลับเส้นทางเดิมนี้ขึ้นไปได้